ส่วนรายละเอียดในเรื่องทาบุญเนี่ยนะเราก็ต้องศึกษาอย่าลืมว่าบุญนี่ยอยู่ที่ไหนทวนอีกครั้งเนี่ยบุญอยู่ที่ใจเรานะไม่ใช่ว่าเราจ่ายสตังค์ไปเยอะแล้วบุญมากไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฟังให้ดีอน น, นไม่ใช่ว่าหมดตังค์มากแล้วบุญมากแต่หมายความว่าบุญเขาวัดกันที่ตัวความคิดคุณภาพของจิตเนี่ยนะกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติเนี่ยเขาวัดกันที่ความคิดเนั้นถ้าความคิดดีมีคุณภาพประกอบด้วยศรัทธาหีริโอตตะ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 คำว่าสาวกเนี่ยไม่ได้ไปแปลว่ามาเชื่อเชื่อแล้วจะได้เป็นสาวกไม่หมายถึงคนที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นอริยสัจบรรลุตามพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่า e. สาวกของพระพุทธเจ้าต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปจึงจะเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเห็นอริยสัจตรัรสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นถามว่าปัญญาของพระองค์ให้เหมือนอะไรอะไรที่ใหญ่ทั้งหลายเปรียบได้นั่นแหละปัญญาพระพุทธเจ้าก็ใหญ่อย่างนั้นเช่น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 เนื้อกว่าพวกเนื <Huh. S 2> ้อกว่าพระอิน hmm. ด้วยครั้งตอนหล mm ังพระอินทเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะจึงค่อยยังชั่วหนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะพระอินเนี่ยต้องหลบนะหลบบริวารตัวเองก็คล้ายๆอะไรคล้ายๆกับว่าหัวหน้าเนี่ยคือเป็นใหญ่ก็จริงแต่จนน่ะลูกน้องเนี่ยเป็นลูกน้องก็จริงอ่ะแต่รวยยังเคยเห็นไหมคล้ายๆแบบเนี้ยนะลูกน้องบางคนเนี่ยรวยรวยหัวหน้ามีจนจนแต่ว่าก็เป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเนี่ยหัวหน้าในเกรงใจลูกน้องประเภทรวยกว่ามากกว่าะ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 ยศอธิปไตยคืออำนาจเหนือกว่าเทวดาทั่วๆไปในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโะพธิภะทั้งหลายเพราะทุกอย่างที่เป็นทิพย์เนื้อกว่าเหล่าเทวดาอื่นๆทีนี้เทวดาที่เกิดก่อนนะเขาไม่ริษยานะเขาอนุโมธนาดีใจด้วยจริงๆเพราะคนที่มีน้ําใจริษยาเนี่ยเกิดเป็นเทวดาไม่ได้หรอกนะนะเพราะพวกเหล่านี้เมื่อเครวารายนะเห็นคนอื่นทําบุญได้มากกว่าเขาทํายังไง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 ปกครองเทวดาสองชั้นคือดาวดึงและจาตมเนี่ยนะทรงเลื่อมใสพร้อมเห็นความเลื่อมใสของเทวดาเทพแล้วก็เรียกเทพเหล่านั้นชั้นดาวดึงว่าเขาเรียกเทวดาเทวดาเขาเรียกเทวดาด้วยกันว่าท่านผู้นิรุตุเนี่ยนะมาริษะเราว่าท่านผู้นิรุตุทุกคนมีแต่ความสุขหมดเลยนะอย่างถ้าเป็นบางแห่งเขาเรียกอะไรถ้าเขาเรียกโยมเขาเรียกครหบดีทั้งหลายทานบดีทั้งหลาย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 แต่ทีนี้พระอินเนี่ยเขาสามารถสรุปพุทธคุณอีกแนวหนึ่งบอกว่าเขาถามเทวดาว่าเทวดาอยากฟังพระคุณธรรมของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงไหมนะนี่เทวดาชั้นดาวดึงก็บอกว่าข้าพระเจ้าอยากจะฟังพระพุทธคุณคือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงอ่ะซึ่งเป็นความจริงจริงๆเนี่ยแปดอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทีนั้นเท้าส ก, กะจอมเทพ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 พระอินเนี่ยมีอายุประมาณสามสิบหกล้านเกือบสามสิบหกล้านปีแล้วก็คืออายุร่วมสามสิบหล้านปีแล้วตอนนั้นเนี่ยนะตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นพระอินอยู่สามสิบหกล้านปีมาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นใครแบบนี้มาเลยที่ที่เป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกเ่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่สามคำนะเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข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 ความสุขแก่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็อยากแก้ทบายในเชิงรายละเอียดว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเพือกูลเพื่อความสุขเนี่ยนะแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างไรคำในอัธกถาหน้า4ี่บสบอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลเนี่ยนะหมายว่าเพื่อประโยชน์เพื่อบรรลุมรักผลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหมายว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์โลกนี้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์โลกหน้าปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานเนี่ยนะพระองค์ทําอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะพระองค์ทาอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อัตถกถาที่บายว่าตั้งแต่พระองค์เนี่ยนะรวบรวมธรรมะแปดประการเพื่อจะได้ตั้งความปรารถนาจะได้สําเร็จเป็น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 เราตารัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราบรรลุแล้วจะให้ผู้อื่นบรรลุด้วยเรากําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้ well. แจ้งเจริญอริยมรรต์หมายว่าเจริญอริยมรรตและจะให้คนอื่นเจริญมรรคด้วยพันเราพ้นทุกข์ Class แล้วจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยสรุปก็ย่อๆก็คือบอกว่าเราพ้นทุกข์แล้วให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยช่วย <nasty>. ให้ผู Dry ้อื so. ่นพ้นทุกข์ด so. <enders> ้วยเราตรัส so. รู Sax ้แล้วจะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยแล้วก็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 ท่านเป็นเลยหมายความว่าฟังทำสักสองบรรทัดเนี่ยนะเช่นฟังทำรรอะไรก็ได้ที่พระพุทธเจ้าสอนประกาศอริยสัจเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีบรรลุเลยเนี่ยนะความสามารถขนาดนั้นนะก็ต้องเรียกว่ามีคุณธรรมมีคุณสมบัติมีความพร้อมขนาดนั้นน่ะจึงจึงจะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ประโยชน์ของท่านถือว่าสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วถ้าจะเอาแต่ที่เหลือเพื่อประโยชน์ของ ผู้อื่นเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทำทั้งหมดเนี่ยนะสร้างบารมีทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์อื่นและพระองค์ทำยังไงบ้างพระองค์ให้ทานเนี่ยนะพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีส0ใช่มบารมีสิมีอะไรบ้างหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสเนคขมบารมีสปัญญาบารมีหวิริยะบารมีหขันติบารมีเจ็ด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 นิพพานะปั จ, จโยโหตุคนเดียวไปได้เมื่อไหร่ก็ไปแล้วนะคิดเผื่อคนอื่นไหมตอนนั้นนะยองเวลาว่าเม่อช้ยอมโมดคิดเผื่อคนอื่นบ้างไหมเอาว่ขาข้าพเจ้าไปได้ก็ไปแล้วบอกรอเราไม่คอยใครแล้วเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยเขาเรียก ว, ว่าแต่ถ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทานปัปสุทิ น, นังวัตเตมีทานังไปต้นขอทานที่เราได้ให้แล้วเนี่ยเราจะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้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 หาได้ยากเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่จะสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ใช้เวลานับตั้งแต่พุทธยากรมาก็เท่าไรสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะแม้กระทั่งทุกภพทุกชาติเช่นตอนชาติเป็นขันติวาทีดาบทพยาช้างฉัตรทันทุกอย่างการปฏิบัติของท่านก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเป็นพระเวสสันดรก็ทาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชน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 บรรลุสกทาคามีมัคสกทาคามีผลอนาคามีมัคอนาคามีผลอรหัตตมัคอรหัตตผลถ้าจากอดีตจวบ ป, ปัจจุบันเยเราจะเห็นว่าผู้ที่ตรัสรู้มัคผลเนี่ยไปสู่สุขติโลกสวรรค์บรรลุมัคผลนิพานตามพระพุทธเจ้านั้นหาประมาณไม่ได้อย่างพระสูตรสู่แรกที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะสูตรแรกคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย โดยเฉพาะเทวดารวมทั้งพรหมเนี่ยบรรลุ18โกธก็ประมาณเท่าไหร่18โกดก็ร้อบล้านานะแต่ว่าพรหมทั้งหลายเนี่ยมาจากหมื่นจักรวาลนะเทวดาและพรหมเนี่ยมาจากหมื่นจักรวาลนั้นะที่ตรัสรู้ตามเนี่ยมากถัดจากนั้นเรื่อยๆมาเนะี่ยก็มีผู้บรรลุตามครั้งละห้า0ันครั้งละหมื่นครั้งละแสนครั้งละหลายๆแสนบางสูตรเนี่ยบรรลุทีละเป็นแสนนะอ ย, นะอย่างเช่นพรหมนารธกัสปชาดกเนี่ย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 อย่างข้อต่อไปปกติแล้วเนี่ยจะยินดีในที่อยู่ของตัวเองมากแต่วันนั้นจะโ ก, กรวนกระวายนะเครื่องไม้เหล่านี้บอกได้เลยว่าอีกไม่เกินเจ็ดวันมนุษย์จะตายไม่ใช่เจ็ดวันเท ว, วดานะถ้าเจ็ดวันเท ว, วดาก็เจ็ดร้อยปีแต่ถ้าเจ็ดวันมนุษย์ก็ไม่กี่นาทีของเท ว, วดาก็แปลว่าตัวเองจะตายแล้วเมื่อรู้ว่าตัวจะตายนี่เป็นยังไงก็เดือดร้อนเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะอย่างเช่นท้าสักกะเนี่ย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 เรื่องนะัว่าบางเรียกว่าอะไรนะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยรู้เลยว่าคดีเนี่ยตัวเองเนี่ยคุกแน่นอนไม่แคล้วเนี่ยเพื่องใครดีนะสุพรหมเทพบุตรก็เลยหนักใจมากก็เลยลงไปไปฟังถามจากพระพุทธเจ้าถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตอบปัญหาจบปัญหาก็บรรุเป็นพระโสดาบันพร้อมทั้งบริวารเนี่ยนะใครยยังชั่วเนี่ยนะเครียว่าโล่งอกไปทีเลยอันพระองค์เนี่ยการที่เกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยนะคนโล่งอกเนี่ยมากนะหลายบางคนเนี่ยนะพระรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟัง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 เป็นสถานที่ที่ผู้พราหมณ์เนี่ยเขามากราบไหว้ตามประเพณีของเขานี่พราหมณ์นี่ก็วันนั้น่ะพระองค์ก็มาใกล้ๆสถานที่ตรงนั้นสถานที่เรียกว่าเจติยสถานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของครอบครัวนี้ตระกูลนี้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปถึงพราหมณ์เขาออกไปทำงานพระ อ, องค์ก็ให้คนเนี่ยไปเรียกมาไปเรียกพราหมณ์มาพราหมณ์เนี่ยพอเข้ามาถึงสถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะ ไม่ไหายพระพุทธเจ้าแต่กัไปไว่ายเจติยะสถานที่เก่าแก่ตรงนั้นอ่ะเสร็จแล้วบางคนก็กระทำหนีว่าเอ้พรามไม่เป็นยังไงกันพระพุทธเจ้ามาอยู่ตรงนี้แท้ๆแล้วไม่กราบว่า้พระพุทธเจ้ากลับไปไว่ายเจติยะสถานพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเนี่ยท่านว่ายตรงนี้ทําไมพราหมณ์ก็บอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะบรรพพระบุตรข้าพเจ้าสอนให้ไหว้ให้กราบว่าต้องกราบตรงนี้นะบนรรพบุรุษท่านสอนมาอย่างนั้น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 อันนี้สงกำไรที่เกิดจากการกราบไหว้พระพุทธเจ้าได้แล้วว่านับจํานวนบุญว่าได้บุญเท่าไหร่เห็นไนะนับจํานวนไม่ได้ว่าบุญที่เกิดจากการกราบไหว้แม้แต่ว่ายสถานที่แล้วลําลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนับไม่ได้รอก ว, ว่าบุญที่กราบไหว้เหล่านั้นเนี่ยมีบุญบุญเท่าไหร่ใช่ไหมว่านับจํานวนบุญไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรแก่การ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 เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวหมายคขาว่าน้อมอริยมรรคอริยพนให้เกิดขึ้นในใจของตัวน้อมจิตของตัวไปเพื่อแทงตลอดพระนิพพานโอปะนิกโกปัจจัดตังเวทิดัปโพวินยูหิเป็นธรรมะที่อุคติตันยูจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเป็นธรรมที่วิปปัญจิตันยูจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเป็นธรรมที่นัยยะบุคคล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 แม้ความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ถ้ายุคเกินแสนปีความทุกข์เหล่านี้เขาไม่เข้าใจเขามีโรคอยู่สามอย่างหนึ่งโรคเอออายุยืนอายุยืนยยนะนะเขาเรียกว่าโรคชราแต่ก็ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เจ็บปวดแล้วก็โรคหิวกับไม่หิวมีอยู่สามโรคถ้ายุคเกินแสนปีนั้นมีอยู่สามโรคเท่านั้นเองเพราะฉนั้นคนถ้ายุคเกินแสนปีเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจแล้วเขาไม่เข้าใจ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 หัวชั่วโมงท้ายชั่วโมงเอ๊ะตอนชั่วโมงแรกเพ่อนพูดเรื่องอะไรมนงะที่ยังแทบจะจาไม่ได้เลยเพราะงั้นก็เรียกว่ารอยไม้ที่ขีดในกระแสะน้ําเชี่ยวถ้ามนุษย์อายุมักยกุคอายุน้อยๆสติปัญญาจะลดน้อยถอยลงไปยิ่งอายุสั้นยิ่งปัญญายิ่งน้อยนะอย่าไปคิดว่าฉลาดมากขึ้นอะไรไม่ใช่เลยมันพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นธรรมะที่นําเอามาใช้ได้จริงๆ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 ทานอันนั้นบีผลหาประมาณไม่ได้ทานอันนั้นยิ่งเป็นทานที่มีผลมากและมีอันิสงส์มากอันิี้สงแปละว่ากําไรกําไรนี่งามเพราะอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยพรันในโลกเนี่สิ่งที่เป็นสาระก็คือกุศลธรรมทั้งหลายกุศลจิตทั้งหลายเนี่ยเป็นสาระอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงกุศลธรรมเนี่ยชั้นสูงที่สุดเนี่ยนะประณีตที่สุดดีที่สุดพันพถ้าทำที่พระองค์สอนเนี่ยสอนให้อะไรก็สอนให้เจริญ อธิศีลเนี่ยนะให้ความคิดเนี่ยเป็นศินให้บ่อยๆ ย, ยาวๆและต่อเนื่องเนี่ยนะบางคนก็บอกเอ้อสินก็มีแค่ห้าข้อหนึ่งของสามสีห้าปานาทินาการเมโมสาสุราเวน้นจากการข่ารักษาประพฤติผิดในการพูดเทสดื่มสุราเมรัยจบบอกว่าเอ๊ะนั่นก็มีอยู่เท่านี้หรือบอกนั่นคุณรักษาชื่อคุณไม่ได้รักษาสินนะคําพูดไม่ใช่ตัวศินแต่ความคิดคือตัวศินถ้าคิดถึงศีลได้บ่อยๆ รักษาศีลบ่อยถ้าไม่เคยทั้งศ้นคิดถึงศีลเลยก็ไม่ได้รักษาศีลเลยไม่ได้แปลว่านั่งดูทีวีทั้งวันแล้วแปลว่ามีศีล น, นั่งใจลอยไปเรื่อยเอานั่งใจลอยใจลอยถึงศีลหรือเปล่ามันก็นั่งใจลอยนั่งคิดไปเรื่อยนั่งคิดโน่นคิดนี่คิดไปเรื่อยเปเื่อยตามเรื่องตามราวดินน้ำลมไฟคิดถึงพี่คิดถึงน้องเป็นต้นอศีลข้อไหนอะ่ะนับดูที่หนึ่งสองสามสีห้าเรียกว่าจะศีลคือข้อละนะแล้วศีลคือข้อปฏิบัติละ่ะ ศีลที่เป็นข้อปฏิบัติคืออะไรก็คือปฏบิบัติบำรุงพ่อแม่เป็นต้นไหมอ่ะนะเพราะข้อการบำรุงบิดามารดาก็เป็นศีลศีลที่ประเภทข้อละกับข้อเจริญศีลข้อละก็คือละจากเจตนาแห่งความชั่วห้าประการรักษากุศลเจตนาเหล่านี้ให้เกิดบ่อยๆเกิดเยอะๆและต่อเนื่องรักษาคุณภาพศีลเนี่ยเป็นทรับซับที่อยู่ภายในอยู่ในใจของเราถ้าเราคิดถึงเขาบ่อยเขาก็มีบ่อยอ่ะนะ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 ต้นไม้เหล่านั้นตั้งอยู่บนแผ่นดินอาศัยแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยปุ๋ยแล้วจึงจกเจริญงอกงามได้ชั้นใดภิกษุผู้ที่จะเจริญคุณธรรมชั้นสูงเจริญสมถะและวิปัสสนาเจริญข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุษมรคนิพานต้องอาศัยอยู่บนพื้นฐานคือศีลอยู่บนพื้นฐานคือศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเหมือนแผ่นดินฉะนั้นหรือเหมือนอย่างว่าสัตว์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 ทั้งจาฤทธิ์ศีลและวารีทธิ์ศีลเอาไว้กับทุกเรื่องเท่ากับทุกเหตุการณ์เนี่ยนะถ้าเป็นพระพิสุที่เรียนวินัยมาดีเนี่ยนะอลองถามท่านดูว่าตรงไหนที่ท่านมองไม่เห็นศีลของท่านเลยมีไหมถ้าเรียนวินัยมาดีๆเนะี่ถามดูเถอะว่าตรงไหนที่ไม่เป็นศีลของท่านมีไหมถ้าหาเจอนะเขามาว่าโอ้โหเก่งมากๆเลยแต่เชื่อไหมเขามานึกไม่ออกเลยตรงไหนที่ไม่ใช่ศีลของพระมั้งที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไม่ใช่อารมณ์ของศีลเนี่ย นึกไม่ออกจริงๆเพราะมองทุกเห็นเนี่ยมองเห็นโยมก็เห็นศีลนะใช่อ่าคนเนี่ยเนี่ยสามารถพาให้เราทุศีลได้กี่ข้อมองเห็นปรับรู้เลยนยของโยมเนี่ยถ้าหากมองเห็นมาทักทิ้งเนถ้ามองเห็นบางอย่างเนี่ยในตานาติบาตมาแล้วนะเพราะอะไรเพราะเรื่องเนี่ยนาไปสู่การฆ่าเรื่องเนี่ยมันใกล้ต่อทุจริตนะเช่นเรื่องสตุงสตังเป็นต้นก็มันใกล้ต่ออะไรใกล้ต่ออาทินนาทานเพศตรงกันข้ามเป็นต้นก็ใกล้ต่อการเมียพูดคุยก็ใกล้ต่อ มูสาเป็นต้นถ้าเห็นขวดเหล้าเป็นต้นก็ใกล้ต่อสุราหรือบางทีแค่เพื่อนเกา่าเห็นหน้าเพื่อนนั่นก็แหมคิดถึงเหล้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ mm hmm. เหลียวดูอยู่คนเดียวนะมันก็อันนี้นะย้อนกลับมาว่าคือเรื่องทั้งหลายและเนี่ยมันใกล้ต่อศีลพราะนมองเห็นอะไรพระก็ต้องมองเห็นศีลได้ที่ไหนทําชั่วไม่ได้มีไหมอยู่มั้นมีไหมถ้าที่ใดทําชั่วได้ที่นั่นเป็นที่ตั้งแห่งศีลได้เป็นที่ตั้งแห่ง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 พูดภาษาชาวบ้า น, นอะไรก็รักษาสติ๊กเกอร์ศีลเนี่ยแปะยี่ห้อว่าศีลมานานแล้วบอกว่าเหมือนกับเราเนี่ยบอกโอ้รักษาบอกเป็นชาวพูดมานานแล้วบอกพระพุทธเจ้าคือใครบอกมันก็เจ้าชายศิทธะเออแล้วพระพุทธเจ้าต่างจากคนอื่นยังไงก็เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งแล้วออกมาบวชเออท่านบรรลุอะไรท่านบรรลุอะไรทำไมจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าเฮ้ยอย่าไม่เชื่อก็อย่าไปทามกันนะนะเปลี่ยนเรื่องไม่มีเรื่องจะคุยกันแนละ้วใช่ไหมกำลังกันนะต่อคล้ายๆเป็นแบบนั้นนั้นเราเอ่อ นับถือพระพุทธเจ้าผู้ทางสรนังข้าฉามิเอรักษาผู้ทางสรนังข้าฉามิมันดียังไงทําไมเราต้องอย่างไงยมันจะอธิบายไม่ได้ซะส่วนใหญ่ถามว่าทำไมก็ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และที่สําคัญนะไม่รู้เของมาไม่หนักใจหรอกมาหนักใจหนึ่งไม่อยากรู้เนี่ยนี่กลัวที่สุดเลยไม่รู้นะยังพอช่วยกันได้บ้างยังพอจะบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนกันได้บ้าง ตักเตือนแนะนําเพิ่มเติมได้บ้างไอ้ไม่อยากรู้เนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงนะบอกไม่ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรเหมือนกันเพราะคนที่บอกก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันเพราะเขาคนฟังคือกลุ่มคนที่ไม่อยากรู้เพราะถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาว่าถ้าศีลเนี่ยมันเป็นบาดฐานรองรับคุณธรรมมั่นใจของเราต้องคิดถึงศีลให้บ่อยที่สุดถ้าใจที่คิดถึงศีลได้บ่อยที่สุดคิดถึงอะไรก็นึกถึงศีลตัวเองได้ด้วยอันนี้แหละเขาเรียกว่าไม่หลงทำกาละ ไม่หลงตายแน่นอนและคนที่คิดถึงศีลได้อย่างนี้บ่อยๆสุคติโลกสวรรค์ศีลตัวนั้นแหละจะอุ้มเขาให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบัติเพราะนผู้ที่มีศีลสมบูรณ์ก็คือพระโสดาบันแต่สิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกขึ้นเป็นเป็นธรรมที่เกิดจากการฝึกที่เขาเรียกว่าภาวนาภาวนานี่แปลว่าฝึกก็ได้นะภาวนาเนี่ยนะจิตกายกายภาวนาจิตตะภาวนาศีลภาวนา นะปัญญาภาวนาเป็นต้นเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการฝึกขึ้นไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองอย่างความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มาฝึกใช่ไหมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดบอกใช่เกิดจากการอบรมเกิดจากกล่อมเกล้าและขัดเกล้าเนี่ยนะกล่อมเกล้าให้จิตเป็นกุศลอย่งยิ่งขึ้นตายขัดเกล้าจากบาปและอะกุศลธรรมทั้งหลายอันถ้าเราสามารถคิดถึงศีลให้ บ, บ่อยๆเนี่ยเรียกว่ามีทรัพย์คือ ศีลมันก่อนเน้นคือทรัพย์คือศรัทธรมมากเลยวันนี้ก็บอกว่าทรัพย์คือศีลเพราะศีทรัพย์พคือศีล น, นี่แหละคือทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าประทานให้บอกว่านี่คือมรดกของพระองค์ที่บำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแสนกับพระองค์เห็นแล้วว่าศีล น, นี่แหละจะตัวทำให้พ้นจากทุกข์แต่ศีลก็เป็นบาตของสมถะและวิปัสสนาบอกว่าธรรมะที่นําเอามาใช้ได้ก็หมายถึงธรรมะทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนาเขาบอกว่าถ้าใช้คําว่าธรรมะ ธรรมะที่นําเอามาใช้ได้อย่างนี้แปลว่าสมถะนะหมายถึงองค์มรรคหข้อวิปัสสนาในองค์มรรคสองข้อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นมรรคเออเข้าไปเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะหข้อหลังเป็นสมถะเพราะฉะนั้นมรรคแปดก็เครียกว่าสมถะแล วิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะมรรคแปดคือสมถวิปัสสนาถ้าย่อให้มากมันก็ศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสมถะหรือวิสมาธิก็คือสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าศีลสามาธิปัญญาก็ได้ก็คือมรรคแปดมรรคแปดเนี่ยนะแปรย่อลงมาเหลือสมถวิปัสสนาแค่สองก็ได้ย่อลงมาเหลือเฉพาะอะไร ศีล ส, สมาธิปัญญาเขาได้สามารถย่อได้ขยายได้แต่รายละเอียดก็คือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นมัดแปดนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่สามารถนำเอามาใช้ปฏิบัติได้และผู้ปฏิบัติตามนั้นพ้นจากทุกจริงเนี่ยนะพ้นจากทุกจริงแต่ที่สําคัญที่สุดบอกว่าเอ่อตัวเองไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติและทํานิดๆหน่อยๆแล้วบอกโอ้ยทำไมไม่เห็นพ้นจากทุกอะไรเลยเนี่ยนะ ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่คู่ควรแล้วบางท่านธรรมะนี้ท่านใช้คําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมนั่นแหละจึงจะได้ผลที่นี้ศีลเนีน่ยนะศีลทั้งหลายศีลศีลถ้าพูดตังใครที่เรียนอภิธรรมมาบอกศีลคืออโทสะสมาธิคืออโลภะปัญญาคืออะโมหะเนี่ยนะพันสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเน้นอโทสะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเน้นอะโลภะสัมมาอาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเน้นอะโมหะอะตัวนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าปฏิเสธธรรมนาแปลว่าค่าศึกหรือศัตรูหรือผู้ฆ่าอะโลภะแปลว่าสิ่งที่มาฆ่าโลภะธรรมะที่เป็นตัวฆ่าโลภะไม่ใช่แปลว่าไม่โลภแปลว่าตัวที่กำจัดความโลภ อโทสะนี้ไม่ได้แปลว่าไม่โกรธแต่หมายถึงธรรมะที่มากำจัดความโกรธอะโมหะไม่ได้แปลว่าไม่งูแต่แปลว่าความรู้ที่มากำจัดความโง่เหมือนสิ่งที่เป็นปฏิบัติทั้งหลายเช่นความสว่างเป็นตัวกำจัดความมืดความดีเป็นตัวมากำจัดความชั่วน่ะแต่ถ้าหากว่าแปลไม่ใช่ถ้าแปลแค่ปฏิเสธเฉยๆไม่ใช่นไม่ใ ช, ใช่ความหมายของพระพุทธเจ้าสอน ความหมายที่พระพุทธเจ้าแนะนําอะโลภาหมายถึงตัวกําจัดความโลภอโทสะตัวกําจัดความโกรธอะโมหะเป็นตัวกําจัดความหลงความงู่กเขาทั้งหลายเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าโมหะเหมือนความมืดอะโมหะก็เหมือนกับแสงสว่างเนี่ยนะเป็นตัวที่เรียกว่าปฏิปักษเป็นตัวกําจัดวันศินสมาธิปัญญาก็คืออโลพะอโทสะอะโมหะคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าผู้มีบุญทั้งหลายทําไม่ยากเจริญไม่ยากแคบเดียวเขาก็ ต่สรู้ได้เขาก็เห็นอริยสัจได้แต่ถ้าหากว่าคนที่บุญน้อยสั่งสมบุญมาน้อยมันก็มีทางเดียวก็คือเพรา ะ, มะเมล็ดพันุะอะ์อโลพระอโทสะอโมหะลงในในใจตัวเองก่อนแม้เกิดมาในะใจนี่ไม่เคยไม่เคยยินดีในกุศลเลยเนี่ยนะถ้าใจเนี่ยไม่น้อมไปในการเจริญกุศลเลยสักเท่าไหร่เนะี่ยแสดงว่าเราพร่องเรื่องกุศลมามากเนียะ เขามาเคยมานั่งนิสถึงตัวเองนะเอ๊ะสมัยเด็กๆเนี่ยนะเราเห็นสัตว์เราเคยสงสารมันบ้างไหมถามมานะไม่เคยเลยตั้งคำถามเราตอบม า, มาไม่เคยเลยเคยจะคิดตรงกันข้ามกับสงสารมีแต่คิดเบียดเบียนอันนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยบุญน้อยแล้วละ่ะรู้เลยว่าเราเนี่ยบุญน้อยสั่งสมคือคือบุญมากบุญน้อยก็วัดกันที่คุณภาพจิตคุณภาพจิตจิตเนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งตามภูมิเนี่ยนะ เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจิตระดับดีระดับชั่วระดับปานกลางวัดกันที่คุณภาพจิตมั้นเช็คตรวจสอบหลายๆอย่างเลยนะน้อมไปจะโกรธหรือน้อมไปเพื่อไม่โกรธอุ๊ยไม่ทันด่าเราหรอกเห็นหน้าก็โกรธแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเราไม่ได้เป็นคนอัธยาศัยดีแปลว่าสั่งสมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทํายังไงจะให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเพราะนั้นการสร้างอริยทรัพย์ก็คือสร้างคุณธรรมลงที่ จิตใจเนี่ยนะสร้างอริยสัพย์คืออยงที่กล่าวไปแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาลงที่จิตใจผู้ที่สามารถขยายแจก แ, แจงรายละเอียดเพิ่ม เ, ม เ, มเมิเพิ่มพูนคุณธรรมเพิ่มพูนโภธิปัจจะธรรมทำที่นําให้เกิดการตรัสรู้คุณธรรมเหล่านี้ที่อยู่ในใจของเราทั้งหลายคือทํายังไงจะสร้างจิตนะนะคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับจิตสร้างคุณธรรมคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานยิทธิบาทอินท ร, ะระ์สีภาละโพชงองมร์เนี่ยเกิดในจิต คุณธรรมเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่านิยานิกธรรมธรรมที่นำออกจากทุกเพราะว่าความหลุดพ้นนี่หลุดพ้นจากที่ไหนจากใจเป็นอย่างยิ่งการบรรลุมรรคผลบรรลุที่ใจพันทำยังไงใจของเราจะน้อมไปเพื่อบรรลุมรรคผลอย่างนั้นต้องสร้างคุณธรรมให้ขึ้นเกิดขึ้นในใจ แต่ท้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องมีข้อมูลมีองค์ประกอบที่จะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นที่ใจได้ก็คือการศึกษาการฟังเป็นต้นกับการโยนิโสมนสิกาลการไข้ครวนบ่อยๆคุณธรรมเหล่านี้ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นที่ใจแล้วเอาเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้จากธรรมดาจากกุศลเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยจะเกิดให้มันเกิดบ่อยๆทยํายังไงให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดบ่อยๆในใจของเรา ยมเล่าอะไรนะบอกว่าถ้าโกรธบ่อยๆทําไม่ยากแต่ถ้าหากว่าเมตตาบ่อยๆทํายากเหมือนกันเออทํายังไงให้มันตรงกันข้ามล่ะนะให้มันโกรธยากยากแต่เมตตานี่ง่ายง่ายเนี่ยนะแต่เขามีหลักการนะพงศ์บอกว่าคนดีทําดีเอ่อคนชั่วนะทําดียากคนดีทําชั่วยากานะมันก็แปลว่าถ้าเราบอกแหมความดีเกิดยากแสดงว่าเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ไม่ใช่คนดีทักเท่าไหรเนี่ยนะก็ย่เข้าข้างตัวเองมาแม้ดีดเนี่ยนะเทพประบทเทพพัทถามาเกิดแอ่อับช่หมดบุญแล้วละอดีตเคยเป็นเอางั้นเถอะถ้าโทสะเออแต่เกิดได้นะฮะนึกเมื่อไหรก่ก็โกรธทุกทีเลยนะนึกเมื่อไหร่ก็ไม่สบายใจทุกครั้งเลยนะเว้ยไม่สบายเรื่องไม่สบายใจมาเป็นเดือนเดือนแนละ้วทไมทําได้ใช่ไหมแต่เจริญกรรมฐานเนี่ยให้มันต่อเ น, นื่องกรุ่นอยู่แบบนั้นเหมือนกับความโกรธใครสักคนหนึ่งนะ นึกเมื่อไร่ก็โกรธเนี่ยบอกว่าแบบแบบอะไรนะโกรธปุ๊บติดปั๊บเลยนะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะเมื่อไหร่นะนะเมื่อไรแบบอะไรนะโลเป็นวันๆเนี่ยโลบ่อยๆเนี่ยมีไหมโยมว่ามีไหมเคยคิดถึงใครบ้างไหมแล้วคิดถึงได้บ่อยๆหลับก็คิดถึงตื่นก็คิดถึงหลับก็ฝันถึงตื่นขึ้นมาก็คิดถึงมองเห็นหน้าใครก็เห็นหน้าอะไรนะคล้ายๆแบบนั้นอะโลพายังเจริญแบบนั้นได้ที่อะโลพาไม่ได้เห็นไหมใช่ ทีโกรธก็เหมือนกันเนี่ยนะโอ๊ยเห็นหน้าใครก็นึกแหมโกรธทุกทีเลยนะเห็นอะไรไม่ดีไปหมดเลยไม่สดใสไปหมดเลยจะเงได้ถ้าโมหะเกิดมาลืมตาเกิดมาไม่เคยเห็นอริยสัจเลยสแสดงว่าโอ้โหลักษาอะไรนะธาตุแท้แห่งโมหะได้เป็นอย่างดีมันกันแต่ถ้ามาเจริญสิ่งที่ตรงกันข้าม ทำยังไงให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดบ่อยๆเกิดเยอะๆ เ, เกิดที่จิตใจเนี่ยนะแล้วเป็นเป็นคุณธรรมพระพุทธเจ้านั้นที่บอกว่าตรัสรู้ธรรมที่นําออกจากทุกขเนี่ยนะเขามีทวนอีกครั้งนึงว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในลูกนี้เป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกขเป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อปรินิพพานเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศานะนั่นคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทวนอีกครั้งหนึ่งนะและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์แปลว่าเป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกข์เปรียบเหมือนอะไเหมือนเรือ นำข้ามฟากนำข้ามจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเหมือนรถนําออกจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเหมือนกับสะพานเชื่อมจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสะพานก็ได้เสตุคาตะเนี่ยเสตุเขาเรียกว่าสะพานอริยมรรคเนี่ยก็คือสะพานเป็นเหมือนกับสะพานข้ามจากวัตตะสู่วิวัตตะข้ามจาก ita, สังคตะสู่อสังคตะนะอริยมรรคของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นนาวาก็ได้เป็นเหมือนกับเรือฟากพาข้ามจาก ณนะที่ตรงนี้ถึงที่ตรงนโน้นโอคาคืออากุศลเนี่ยนะหรือเป็นเหมือนกับยานนะยานที่นําให้ถึงสถานที่เกษมและปลอดภัยก็ได้คุณธรรมเหล่านี้ที่พระองค์ค้นพบเลือกเฟ้นเขาเรียกวิจัยพระองค์วิจัยจนเห็นเลยวันนี้ทุกรอบสิ่งเหล่านี้เป็นกองทุกข์แม้ความเกิดความแก่ความตายความพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแย้งใจ ก็เป็นทุกข์เออนี่พวกนี้เป็นทุกข์นะอะไรก็ช่างเถอะมันเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความรําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นทุกข์ตัวมันเองไม่ไม่ไม่เสียใจก็จริงแต่ถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจตัวมันก็เป็นทุกข์อะไรก็ช่างเถอะขอให้มันว่าอะไรก็ช่างถ้านํามาซึ่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ความโศกความร่าไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นทุกข์ถึงเป็นที่ตั้งของสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นทุกข์เหมือนกันก็คือขันห้าเพราะขันห้าทั้งหลาย หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความร่าไรรําพันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายกายเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้งใจทั้งหลายนั้นตาหูจ ม, มกูกลิ้นกายใจนี่แหละคือตัวทุกุรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละคือตัวทุกุพระองค์วิจัยเลือกเฟ้นเห็นแล้วสาเหต like really like แุแห่งทุกข์เหล่านี้ล่ะอไหนอ่า มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เรื่องจริงอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้มาเอาเข้ามาประจานแต่เล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ไว้เปรียบเทียบเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งไปหลงรักคนมีเมียแล้วที่อยู่ตานในเมืองกรุงเทพประมาณนั้นเถอะก็ไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งมาพูดดีดฟังแล้วก็เคลิ้มเพลิมในที่สุดก็สละทั้งร่างกายจิตใจให้แก่เขาเขาก็มีเมียแล้วคนละาศาสนาด้วย นี่เขาทาไงพอตอนแรกๆก็อย่างว่านะก็พอเขาสมความปรารถนาแล้วเขาก็ตอนนี้ก็ใช้ศอกบ้างเลี้ยงนะใช้ศอกบ้างใช้เข่าบ้างมันถลอกตอกเปิกหน้าบวชหน้าบวมไปหมดเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยสบายนี่ยนะพ่อแม่มารับกลับบอกกลับไม่ได้ต้องอยู่ให้เขาซ้อมต่อไปในที่สุดกลายเป็นโรคจิตไปเลยยนะนะกลายเป็นโรค โรคมีปัญหาทางความคิดไปเลย น, นี้ไอตอนที่ชักชวนออกมาถามว่าเด็กคนนี้มันเจ็บปวดไหมไอตอนที่ไปอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วถูกเตะถูกทึกทุกวันเนี่ยนะก็เจ็บปวดแต่ทําไมทนอยู่ได้ก็มันชอบเขาอะ่ะนะก็มันชอบอะ่ะเพราะความชอบนั่นแหละเป็นที่สาเหตุแห่งความเจ็บปวดเพราะว่ากลับมาเธอลูกเผื่อเขาจะใจดีกับหนูในวันหลังเหมงอนกันเพราะนั้นก็ทนทนทนๆ น, นแต่ในที่สุดก็เพราะเขามีครอบครัวมีมีอะไรไปแล้วตัวเองก็ถึงกับว่า ทุกในที่สุดก็เข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็ไม่ทราบชะตากรรมชีวิตเป็นยังไงนะเนี่ยเกิดเมื่อหลายปีก่อนนั่นนะแล้วมีอีกหลายคนเนี่ยนะที่ไปเจ็บปวดก็คล้ายๆแบบเนี้ยเพราะเห็นว่าน่าจะได้รับความหวานชื่นสมมติว่าใครเคยขึ้นไปต้นมะม่วงอาเขตนี่มะม่วงมันเนยอะตามเคยขึ้นไหมต้นมะม่วงมันมีลูกมะม่วงสุกอยู่บนยอดแล้วมดแดงทั้งต้นเลยเอ่ะแล้วขึ้นไต่เพื่อจะไปเอามะม่วงคิดถึงความอร่อยของมะม่วงขึ้นแล้ให้หมดแดงมันกัดซะจนน่วมไปหมดเลยนะ หวังความอรเด็ดอร่อยพอดีขึ้นไปไม่มีมะม่วงอะไรจะว่างไงฉันใดก็ดีเชื่อไหมเราทั้งหลายที่อยู่ในวัฏตักก็ลักษณะเดียวกันหวังว่ามันน่าจะสบายเราเคยคิดไหมว่าเราจะมีแต่เดือดร้อนยิ่งกว่านี้นะวันนี้สบายที่สุดแล้วพรุ่งนี้เดือดร้อนกว่าวันนี้เอาคิดไหมว่าพรุ่งนี้เราจะสาวขึ้นกว่าวันนี้จะหนุ่มกว่าวันนี้คิดไหมหนุ่มน้อยอะสิความมันเหลือน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีมันมีแต่เสียหายกว่านี้วันนี้สุขภาพดีแล้วดีใจเถอะพรุ่งนี้มันอาจจะแย่กว่าวันนี้ก็ได้ เนะี่ยยิ่งปีข้างหน้าด้วยเนี่ยนะโอ้โหไม่แน่นะเพราะมันแก่ไปอีกปีหนึ่งแล้วอะไรหลยละอย่างเนี่ย น, นะเสื่อมโทรมหย่อนยานหมดเว้นแต่หูตึงขึ้นตึงขึ้นเลยฮะตั้งหลายครั้งเลยนะกว่าจะได้ยินเนี่ยหูตึงตึงตึง ต, งตงย่างอืเ น, นี่เสียหายหมดแล้วต้องไปทำํำศัลย ก, กรรมหมดล้ะมันก็ก็เป็นอย่างนีน้มันก็มีปัญหาไปหมดเลยนะแต่ก็ยังคาดหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าวันนี้นะหลอกตัวเองตลอดเลยนะ เอ๊ะมันกลับหนักขึ้นหนักขึ้นเลยนะเอ๊ะพรุ่งนี้สุขภาพน่าจะดีขึ้นแกล้งปลอบใจตัวเองมั่งจะดีขึ้นดีขึ้นอ่าพอพูดคิดคิดถึงคําของพระพุทธเจ้าเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นนะพอก็ามาหลอกตัวเองต่อแหมมันน่าจะหายนะมันก็ก็ปลื้มใจมันก็เป็นลักษณะนั้นพันสมมุไทยเหตุแห่งทุกข์ก็คืออะไรก็ความชอบใจในทุกนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เราชอบสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดานั่นแหละเราจึางต้องเกิดอีก บางคนก็บอกเขาเลิศชอบแล้วอาหารอร่อยไหมอร่อยอนนะมีอะไรน่าเบื่อหน่ายบ้างไหมคิดว่าน่าจะเบื่อหน่ายนะแต่ตอนนี้ยังอย่างน้นถ้าโอ้ ย, อยางงี้อีกนานแบงนั้นเอถอะไม่มีวี่แววเลยจะบรรลุได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในทุกเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะพ้นทุกอย่างนะไม่ใช่ฐานะที่จะพ้นทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยอทุกเหตุให้เกิดทุกก็คือความยินดีในกองทุกนั่นแหละ ความเพลิดเพลินกับทุกนั่นแหละมันจึงมันจึงเป็นทุกเนี่ยนะอย่างคล้ายๆกับบอกว่าบางคนเนี่ยเคยเกิดมาดื่มเหล้าเนี่ยโอ้ยเมาอาเจียนโอ้ยเสร็จ แ, แล้วบอกว่าสาเหตุเป็นอย่างนี้ก็คืออะไรก็ชอบน้ําเมาไงพอหายปั๊บไปดื่มต่อเองก็ก็เป็นอย่างเนี้ตลอดเวลาแล้วเขาเมื่อไหรมันจะเลิอกอาเจียนเลิกทุกแบบนี้บอกไม่ได้ก็มันยังชอบดื่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปชั้นใดวัฏตะทั้งหลายก็ที่มันเชื่อมโยงเป็นสังสารวัฏก็ในลักษณะแบบนี้นี่แหละมันก็เลยเชื่อมต่อๆกันตายโดยไม่มีสิ้นมีสดเ้าเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับระบอกเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าสอนวิธีว่าจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็คือการสร้างคุณธรรมให้แก่จิตใจคุณธรรมเป็นตัวที่นําออกจากฝากนี้ไปสู่ฝากโนนําออกจากกองทุกข์เพื่อให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ ดับทุกพระนิพพานเป็นที่ดับทุกพระนิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกเนี่ยนะเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สงังเป็นที่ส่งแห่งความเมาเป็นที่สงบประงับเป็นที่ดับสังขารเนี่ยนะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเจริญคุณธรรมเหล่านี้พระองค์ก็เจริญอริยศีลอริยสมาธอาริยปัญญาแทงตลอดพระนิพพานพระองค์ก็ออกจากทุกได้ัน พระธรรมที่พระองค์บอกกล่าวแต่งตั้งสั่งสอนนั้นสามารถที่จะปฏิบัติตรัสรู้ตามได้ไม่ใช่ขายทฤษฎีที่เอามาปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ทฤษฎีเลื่อนลอยแต่ที่สําคัญบอกเออสมัยนี้ก็ไม่ให้มีใครบรรลุไม่ค่อยมีคนบรรลุเลยบอกแล้วมีคนทําตามมั้งไหมล่ะเอาก่อนบรรลุไม่บรรลุไม่ว่างนะมาว่ากันว่ามีใครคิดจะทําตามมั้งไหมบอกธรรมะดีไหมบอกดีทําเลยไหมเอาไว้ก่อน ว่าจะทำเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะนะนายยมตยนะว่าจะแล้วหลายครั้งมากนะนายยมตัก็วางั้นะว่าจะว่าจะก็เลยไปได้สักทีเนี่ยนะประเภทว่าจะว่าจะศีลดีไหมดีเอาไหมโยมอดบวชดีไหมบอกดีบวชไหมอ้าวอ่านะเรื่องมันยาวเลยเรื่องมันยาวนะบอกไม่ได้บวชหรอกตอนนี้อยู่วัดอยู่แล้วบอกวัดไหนบอกวัดตากนะอยู่ในวัดตะอยู่แล้วว่างันอยู่ในหวังน้ำมนอยู н, ่แล้ว แล้หลายคนเนี่ยถามเขาถามเรื่องเรื่องบวชดีไหมบอกดีมากครับปุยอย่างนั้นนี้บวชเลยไหมเพิ่งศึกมั้ยทุกคนก็จะเป็นลักษณะเนี่ยนะบอกศีลสมาธิปัญญาดีไหมถามว่าโกรธกับไม่โกรธไหนดีกันไม่โกรธดีกว่าตอนถ้ามันมีเหตุการณ์ขึ้นเลือกโกรธหรือเลือกไม่โกรธก็เลือกไม่โกรธเลือกโกรธนั่นเอนะบอกโลภก็ไม่โลภไหนดีกันไม่โลภดีกว่าถ้าเห็นของที่เราชอบเราเลือกโลภหรือไม่โลภ โลกเนี่ยนะเพราะว่าอความโง่โง่กับไม่ฉลาดเนี่ยไหนดีกว่ากันบอกฉลาดดีกว่าพอพูดเรื่องอริยศาสตร์ไหมโง่ต่อไปก็ไม่เห็นเป็นไรนึงว่างั้นนะบอกอะไรนะว่าเฮ้ยก็เรามันปุตุชนว่างั้นนะก็แหมอนุรักษ์นิยมเข้ามา ท, ทันทีเลยนะเลือดอนุรักษ์นิยมเข้ามาเลยนี่ก็บอกว่าไอ้ความโง่นี้มันดีไหมบอกไม่ดีอยากฉลาดไหมอยากวอากันมาเรียนอริยศาสตร์ไหมบอกมันยากมัน แปลว่าอะไรก็แปลว่าของโง่ตามเดิมดีกว่าโง่ฉันก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนนะก็อยู่ขออยู่ตามเดิมของฉันต่อไปก็แล้วกันฉันไม่รู้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็แปลว่าอะไรขอเป็นปุถุชนตลอดไปอย่างนั้ น, น, นก็เพราไม่คิดจะรู้อะเอาอริยศัตว์ดีไหมบอกดีอยากเห็นไหมเออเราต้องคิดดูก่อนเหมือนกันนะคล้า ย, ายแบบแบบแค่ยังนี้ทําเป็นรอบครอบใช่ไหมแต่ที่อากุศลแล้วไม่เคยสุคุมอะไรเลยเนี่ยนะชงทางนะั เขามาอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้ยืนนะอยู่ตรงเนี้ยกัอาจารย์สมัติทำโน่นไหมเอออาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออย่างนั้นโอ้ยเรื่องนี้ทําเป็นรอบครอบกํบาลังกันนะที่เรื่องอื่นนะแหมเราเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะเรื่องนี้ทําเป็นรอบครอบกําลังทำเป็นฉลาดขึ้นมากําลังนั้นอันนี้ก็ลักษณะนั้นบางทีนะเออเราก็มาคิดดูว่าเ อ, อชีวิตของเรานี่ไปยังไงถ้าหากว่าเราไม่สามารถเจริญคุณธรรมตามพระพุทธเจ้าได้อันนี้ทุกแน่นอนเชื่อเถอะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมที่นำออกจากทุกข์และเป็นธรรมที่นำมาใช้ได้ถ้าเราไม่คิดจะน้อมเอาพระธรรมามาเจริญเนี่ยนะคือสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราไม่มีศรัทธาคำว่าศรัทธานี่แปลว่าเอ่อเชื่อไหมเชื่อเอาไหมไม่เอาถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าคนมีศรัทธานะนิยามของคำว่ามีศรัทธาก็คือนิยามว่าอยากมีคุณธรรมเช่นนั้นบ้าง เช่นว่าคนที่มีศรัทธาในในสติปัฏฐานเป็นต้นก็คืออยากจิตตัวเองอยากให้จิตเป็นสติปัฏฐานเรียกว่ามีศรัทธาคําว่ามีศรัทธามันก็เหมือนเห็นคนมีรถและอยากได้รถบ้างลักษณะนั้นเรียกว่าคนมีศรัทธาชั้นใดถ้าเรามีศรัทธาในพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือศรัทธาในธรรมของพระพุทธเจ้าจริงนะเราต้องน้อมไปเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั่นแหละเรียกว่ามีศรัทธาเพราะสัจธินรีพึงเห็นได้ที่ไหน เห็นได้ในโสตาปฏิยังฆ่าธรรมข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั่นแหละคือเป็นเครื่องสำรวจตรวจสอบว่าเป็นผู้มีศรัทธาไหมพมันถ้าเราถ่าบอกว่าฉันมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมและเชื่อพระสงฆ์ถามจริงๆค่ะคิดจะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นะนะเอาใครมาเชื่อ ด, ดีเชื่อใครดีนะทัเกียนคิดจะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่กัน บอกเอาคำนี้พระโสดาบันเป็นแล้วดีไหมบอกดีคิดว่าจะเป็นเมื่อไหร่สมัยนั่งเราต้องดูเหมือนกันนะเอออยากจะเป็นพระโสดาบันเขาบอกว่าพูดนิยามของคําว่ามีศรัทธาในพระตัตนตรัยคือน้อมไปเพื่อตัวเองเนี่ยอยากเป็นพระโสดาบันเป็นเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นพรนะ้าฐาน่ะอย่างนั้นแหละเข า, าเรียกว่าเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าและเลื่อมสายในพระธรรมที่ตรัสรู้น้อมไปเพื่อที่จะรู้แบบนั้นบ้าง ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะเขายังไม่คุยประเด็นนี้นะไม่ได้พูดประเด็นที่ว่าทําได้หรือไม่ได้แต่พูดประเด็นว่าอยากได้จริงๆริงไหมปรารถนาจริงๆริงไหมต้องการจริงๆริงไหมต้องการเห็นอริยสัจจริงจริงไหมบอกว่าถ้าตั้งคำถามถ้าเช็ควัดใจกันตรงนี้ถ้าไม่ต้องการบอกไม่มีทางนะเขาบอกแค่ใจยังไม่มีจะกล่าวไปใหญ่ถึงการตรัสรู้เป็นไปไม่ได้อ่นะพระพระพุทธเจ้าบอกเลยนะปองบอกว่าเราช่วยคนไม่มีศรัทธาไม่ได้หรอก แค่ศรัทธาในธรรมนี้เขายังไม่มีเลยมีอยู่สูวนหนึ่งพระองค์ตรัสอย่างนั้นจริงๆแม้แต่ศรัทธาในธรรมะนี้ยังไม่มีในตัวท่านเลยมันท่านไม่ต้องมาพูดว่าท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้หรอกแค่มีใจยังไม่มีใจไม่ต้องพูดว่าจะได้สิ่งนี้อพระนีิพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราไม่มีใจให้ให้ธรรมะนะธรรมะก็ไม่มีใจให้เราเหมือนกันนะคือจะว่าธรรมะใจดํามันก็ไม่ใช่เราอะใจดํารับธรรมะไม่ได้ คือธรรมะก็เราว่าธรรมะจะอยู่กับผู้ที่เขาประพฤติ ธ, ธรรมธรรมะยินดีที่จะอยู่กับผู้ที่ประพฤติธรรมถ้าเรามีใจที่จะประพฤติ ธ, ธรรมตอนต้นทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าบุคคลทั้งหลายผู้เกิดมาในโลกไม่มีใครทําได้ทันทีเลยก็มีใจน้อมไปในที่สุดก็จะเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นเนี่ยนะอันทุกอย่างในโลกเนี้ยไม่ได้เกิดจากว่าเอามพรสวรรค์เกิดมาปุ๊บทําได้ปั๊บเลยอะไรนะไม่ใช่แบบว่าคลอดมาปุ๊บวิ่งเลยเลยจุดเลยนะ แค่เกิดได้ปุ๊บพ อ, อย่างมากก็เดินค่อยๆเดินก่อนเนี่ยแค่นั้นแหละมันทุกเรื่องเกิดจากการฝึกหัดขึ้นมาทั้งนั้นคุณธรรมทั้งหลายคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานเนี่ยนะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอย่างพระไตรปิฎกเป็นตู้ๆเลยนะสาระของพระธรรสอนทั้งหมดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พระละโพชงและองค์มักนั่นแหละคือคือพระองค์ต้องการให้เรามีสิ่งเหล่านี้พระองค์เลยสอนมากมายพูดมากมายพูดเยอะแยๆเลยนะ เหมือนกับว่าที่เราทํามาหากินเนี่ยโอ้วางเครือข่ายทํางานมาเยอะแยะไปหมดเลยซับซ้อนยุ่งเหยิงแต่จริงๆอ่ะทั้งหมดเราต้องการอะไรผลกําไรจากสิ่งนั้นมูลค่าและราคาจากสิ่งนั้นทั้งคนจะมีธุรกิจเป็นหมื่นเป็นล้านประเภทก็ช่างเถอะแต่สาระคือผลกําไรจากสิ่งนั้นนั่นะ ค, คือทุกอย่างฉันใดพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดสอนเยอะแยะสอนไตรปิฎกทั้งหลายเนี่ยนะสอนทั้งพระสูตรพระวินยัยพระพิธรรม ก็สอนเพื่อให้สอนพระวินัยเพื่ออะไรเพื่อสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะสอนพระสูตรเพื่อสัมมาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสอนนักพิธรรมเพื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะพระวินัยก็คือศีลพระสูตรก็คือสมาธิพระพิธรรมก็คือปัญญาก็คือศีลสมาธิและปัญญาถ้าเราเจริญคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องเรียนทั้งปิดกสามก็ได้พระที่ทรงพระไตปิดอกจริงๆไม่มาก แต่ผู้ที่บรรลุธรรมไม่ได้แปลว่าต้องทรงพระไตรปิฎกทั้งหมดอย่างอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายสมัยพุทธกาลเขาก็รู้เห็นธรรมแต่ไม่ได้เขาไม่ได้ส่งพระไตรปิฎ ก, กเพราะเขารู้สาระของพระไตรปิฎ ก, กคืออะไรก็คือการเพิ่มพูนอธิศีล อ, อธิจิตและอธิปัญญาซึ่งคุณธรรมเหล่านี้แหละที่พระองค์บอกว่านำเอามาใช้ได้นะนะอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกข ท่านบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ใดสอนธรรมะที่นำเอามาใช้ได้อย่างนี้เลยก็มีศาสดาเหล่าใดาบ้างที่สามารถสอนอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติเนี่ยนะและศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ดีแล้วมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสก่อนจะปรินิพานดูก่อนจุนทะตถาคตเนี่ยนะนับตั้งแต่วันตรัสรู้จนถึงปรินิพาน ตั้งแต่แรกตรัสรู้จนถึงพระนิพพานธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นสวัสขาโตตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพ่งเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่วินยูชนก็เพึงรู้ได้เฉพาะตนและที่สําคัญธรรมะเหล่านั้นไม่มีผิดพลาดแม้เท่าเพียงปลายขนสาย นิดเดียวของความผิดไม่มีเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนนะอ่าแล้วน้ำหนังสือพิมพ์ตกหล่อนอันนั้นเป็นเรื่องของหนังสือไม่ใช่ตัวคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าไม่มีผิดมีเพี้ยนไม่มีพลาดแม้เท่าเพียงปลายขนสายและนิยามแน่นอนของคําสอนก็อบอกถ้าผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามคําสอนกําจัดราคะได้จริงกําจัดโทสะได้จริงกําจัดโมหะได้จริงมีอยู่ครั้งหนึ่งทนาง โธตมีเนี่ยนะขอกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าพระองค์ให้กรรมฐานวิธีตรวจสอบว่าที่เราปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือผิดพลาดถ้าทำเหล่านี้ถ้าเธอทําแล้วนะมักมากในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสมากขึ้นแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่คําสอน <S <S <S เพราะธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความไม่คลุกคลีเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่ใช่เลี้ยงยากเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อ เบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานว่าเป็นไปเพื่อเพิกถอนแห่งอะไรเป็นต้นนั่นแหละเป็นลักษณะคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้หรือเอาเรียกว่าเอาโพธิปักษคุยธรรมมาตรวจสอบหรือเอาอเพื่อความเลี้ยงง่ายมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรเป็นต้นมาตรวจสอบก็ได้นั่นแหละคือคําสอนลักษณะของคําสอนของพระพุทธเจ้ารู้ไร้เลยวันนี้เป็นคําสอนของ พระพุทธเจ้าถ้าคำสอนเหล่าใดนำออกจากทุกสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าปฏิบัติตามแล้วเบาใจคำสอนที่ถูกต้องนะถ้าคิดทำตามปฏิบัติตามแล้วสบายใจถ้าไม่ทำตามเดือวร้อนนั่นเป็นคำสอนที่ถูกต้องแต่ถ้าคำสอนที่ผิดพลาดทำไมถ้าอยู่เฉยๆและสบายถ้าทาแล้วเดือดร้อนอันนี้ไม่ใช่คาสอนพระพุทธเจ้า คำสอนพระพุทธเจ้าถ้าทําตามสบายอย่างเดียวมีความสุขอย่างเดียวเห็นไหมแต่ถ้าละเมิดเมื่อไหร่เดือดรนะ้อนอ่ะเพราะอะไรเพราะเป็นคําสอนที่ดีและถูกต้องนะถ้าตั้งแต่ระดับล่างๆย่างดีขนาดนี้แล้วระดับต่อๆไปอันนี้ก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้านะถ้าหากว่าพระองค์ไม่สั่งสมบุญมาขนาดนี้ไม่สร้างบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกลับไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเนฆามะ จเจริญปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิฐานมีเมตตาและมีอุเบกขาถ้าพระองค์ไม่มีคุณธรรมอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์ไม่ไม่ได้สั่งสมบารมีมาอย่างนี้พระองค์ไม่สามารถที่จะสอนสิ่งเหล่านี้ได้พระอรหันต์เช่นพระประเจกพรพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็สอนไม่ได้เพราะท่านไม่ได้สั่งสมบุญมาเพราะ ความพิเศษของพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์สั่งสมบุญมาพระองค์จึงสอนธรรมะที่ใช้ได้และนำออกจากทุกได้จริงอันนี้เป็นพระพุทธคุณตามเป็นจริงข้อที่สองของพระพุทธเจ้าพระคุณตามเป็นจริงข้อที่สามของพระพุทธเจ้ามีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้แล้วอย่างนี้ว่าน้กุศลน้อากุศล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 สัมปรายภพบต่อไปบันดิตติเตียนหรือสรรเสริญเนี่ยนะถ้าทำให้มากปฏิบัติให้มากเป็นไปเพื่อทุกโทษหรือเป็นไปเพื่อความสุขสงบมันอกุศลจึงเป็นสิ่งที่ควรละโดยส่วนเดียวมีอยู่สูตรหนึ่งพงบอกว่าถ้าอากุศลมันดีจริงบ้างเลยนะ พระองค์ก็สอนให้เจริญแต่เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงขณะเดียวกันถ้าเป็นสิ่งที่ละไม่ได้พระองค์ก็ไม่สอนให้ละแต่เนื่องจากเป็นสิ่งที่ละได้พระองค์จึงสอนให้ละเนี่ยนะพระองค์สามารถจําเนกแยกแยะได้เลยวันนี้กุศลนี้อกุศลเดี๋ยนะอกุนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้ควรเจริญนะนี้ไม่ควรเจริญเพราะอะไรเพราะถ้าเจริญอย่างนี้เสียหายแน่นอนอย่างนี้เจริญอย่างนี้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 ถ้าใครเคยเคยศึกษาวิชาทางโลกเยอะๆเนี่ยนะตั้งสมมติฐานขึ้นว่าถ้าว่าอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างโน้นเกิดจากวิชาถ้าว่าเผื่อว่าถ้าว่าเผื่อว่าไม่มีนะท่านอาจรย์พิโตกอ่ะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเนี่ยนะทำห้าประการเหล่านี้บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่ออ อ, อกจากวัตฏะสูวิวัฏฏะเป็นต้นเนี่ยบอกเลยหนึ่งสงสามสี่ห้า เออถ้าว่าเธออย่างนี้นะผลจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าค่าคะเนกะไม่มีไม่มีในคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าทุกอย่างบอกเลยหนึ่งงสมสี่ห้าบางอย่างบอกเลยหนึ่งงสามสี่ห้าจะไปเก้าสิบหรือบางอย่างบอกไปเลยเนี่ยทําหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสมหมวดสี่หมวดห อันนั้นอย่างวิธีปฏิบัติทำเธออยากปฏิบัติน้ำหนึ่งเลยเอาไหมอ่ะหรือแบ่งเป็นสองหรือแบ่งเป็นสามแบ่งเป็นสหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเว็ดหมวดแดหมวดเก้าหมวดสิบแล้วไม่แบบบอกโอ้อันนี้ข้อนี้นะถ้าว่าหรืออื่นๆจุดๆเผื่อเป็นต้นอะไรพระพูดประเภทนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าเพราะถ้าพูดลักษณะนี้เราไม่รู้จริงอันนั้นและอื่นๆอีกมากมายเป็นต้นแต่ต้นเนะ่นะอีกนะ้อยเน่ะไม่มีมีบอกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า คือถ้าหากว่าเราเราดูไปแล้วเนี่ยไม่เคยมีใครพูดอะไรได้ชัดเจนขนาดเนี่ยแบ่งขนาดเนี่ยที่เหลือนะพูดเผื่อหมดเลยพูดเผื่อซะส่วนใหญ่หนังสือทางโลกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ถ้าว่ายังจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าอย่างงั้นจะเป็นอย่างโน้นถ้าว่าอย่างโน้นจะเป็นอย่างนี้จริงวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วนัมีแต่ถ้าว่าเผื่อว่าค่าว่าคาดว่าเดาว่ากะว่าก็มีอยู่ว่าว่าว่าว่าเแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อย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 กรรมนี้ให้ผลนําเกิดกรรมนี้ไปอุปถัมภ์กรรมนี้มาตัดรอนกรรมนี้มาเข็นมาฆ่านะกรรมนี้ให้กรรมชนิดนี้ให้ผลชาตินี้กรรมชนิดนี้ให้ผลชาติหน้ากรรมชนิดนี้ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นเนี่ยนะคือเป็นเรื่องของความชัดเจนแล้วก็โปรง่งใสโดยที่ไม่มีขัดแย้งอะไรเลยเนี่ยนะบอกได้เลยจําไม่ใช้ได้เลยตลอดไปหนึ่งสอสามสี่ห้าไปเรียกว่าบททดสอบได้เลยประมาณท่านเมื่อเกิดมาไม่เคยเห็นใครบัญญัติได้อะไรขนาดนี้มาเงี้ย พระอินทร์นะท่านบอกว่าคือพระอินทร์เนี่ยอดีตชาติเอ่อตอนที่เป็นพระอินทร์เนี่ยลงไปหานักบวชเยอะมากไปหานักบวชแม่จะไปฟังธรรมท่านสงอยกลายมาเป็นสาวกของพระอินทร์รับที่ศาสนาพระอินทร์เนี่ยก็เข้ามาเพราะเป็นยังไงที่จริงพระอินทร์ตอนแรกพระอินทร์เนี่ยจะเข้าไปฟังธรรมหเหรอเขารู้อะไรบ้างนะเห็นบวชแม้เคร่งครัดดีเหลือเกินไหนท่านแนะนําอะไรบ้างไปถึงบอกโอ้นี่ยท่านทํากรรมอะไรมาท่านจึงได้เป็นพระอินทร์กลายเป็นว่า แทนที่จะเป็นพระอินมาเป็นสาวกกลายไปเป็นว่าเป็นสาวกของพระอินแต่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นสักกะยิ่งกว่าสักกะสักกะเป็นชื่อของพระอินพระพุทธเจ้าเป็นพระอินยิ่งกว่าพระอินในส่วนข้อสี่เดี๋ยวให้พัก พ, พักฉันน้าก่อนเนาะให้โยมคลายเมื่อยด้วยเดี๋ยวก็จะต่อไปได้แล้วก็ไปไปตามกันก็ ถ้าคนสมัยนี้ทำได้ขนาดนี้เขียนได้ขนาดนี้ฉลาดเท่านี้ก็นับถือเขาได้เลยครับถ้าถ้ามีใครทำได้อย่างนั้นจริงๆอะน น, นสมมุติถ้ามีใครแหมร่างพระไตรปิฎกขึ้นมาเองอะไรได้อเองเราก็จะนับถือเหมือนกันอะถ้าเก่งขนาดนี้จริงก็นับถือ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 เก่งขนาดนั้นนะถ้าเก่งขนาดนั้นนะี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หมายแล้วทั้งคนที่ทําได้อย่างนี้ก็คืออย่างเดียวแน่นอนว่าเป็นพระพุทธเจ้านะว่าเอาแต่งเติมขึ้นแบบเอาไหมล่ะคนรุ่นใหม่เอามาลองทําแต่งเติมขึ้นมาอย่างนี้บ้างบอกว่าถ้าถ้าไปอ่านยิ่งอ่านหนังสือฝรัง่งที่ฝรั่งเขียนด้วยแล้วยิ่งแทบไม่มีอะไรเลยแทบไม่มีอะไรเลยนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเรื่องาศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยจริงๆเนื้อหาไม่มีอะไรเลยนอกจากบางอย่างก็แทบจะปลิ้นต้นนไยซ้ําไปเนี่ย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 เขาก็มีนักวิชาการบางท่านก็ออกมาพูดว่าคนที่จะทําได้อย่างนี้เนี่ยต้องดร็อคเตอร์อย่างน้อยประมาณหนึ่งพันคนเนี่ยนะจึงจะมาเรียบเรียงอย่างนี้ได้มาช่วยกันขัดเกลาตกแต่งขนาดนี้นะนะต้องอาศัยนักวิชาการระดับดร็อคเตอร์พิเศษเนี่ยประมาณหนึ่งพันคนเป็นอย่างน้อยจึงจะทําได้แล้วถ้าคนทั่วไปเนี่ยเอาออกมาเขียนว่าใครเอามาเขียนอ่ะ ใ ห, ให้เขียนเลยอะไม่ให้อ่านนะให้เขียนให้มันเหมือนกันขึ้นมาถ้าใครทําได้ก็จะนับถือเลยอะถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปทําได้เ น, นะหมายค่อยคนธรรมดาแค่ว่าแค่จะฟังให้จําได้ให้เข้าใจได้ยังยากเลยนะจะกล่าวไปยัยถึงว่าแหมให้คนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมาคิดมาเขียนขึ้นมาเพราะหลา ย, ลายอย่างเนี่ยจะรู้เลยไม่ใช่วิสัยของคนธรรมดาแน่นอน น, นะ คนมีราคะทำแบบสอนแบบนี้ไม่ได้แน่นอนคนมีโทสะก็สอนแบบนี้ไม่ได้แน่นอนคนมีโมหะก็สอนแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอย่างย่างมากก็พูดตามนั้นแหละเรียกว่าจำให้พุทธพจน์มาพูดตามยังจำมาพูดตามยากจะกล่าวใบใยญย่ไหมให้รู้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเองเลยนะเพราะก็ยากเหมืนกันแล้นถ้าถามว่าถ้าจะมีคนเขียนขึ้นแบบนี้ได้จริงก็ก็เชื่อว่าเป็นพระพุทธเจา้าแน่นอนนะแล้วก็ผมเชื่อแบบนั้นครับ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 ก็เท่ากับชื่นชมอะไรอริยมรรคกับชื่นชมอริยมรรคว่าพระองค์นี้สามารถสั่งสอนข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้พระนิพพานนะช่างดีแท้หวังงั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสําหรับไปถึงพระนิพพานแก่สาวกข้างหลายทั้งพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัติก็กลมกลืนกันเป็นอย่างดีฉะนั้นนั่นทีเดียวเราไม่เคยเห็นาศาสดาผู้บัญญัติข้อปฏิบัติเพื่อไปถึงพระนิพพานได้อย่างนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันนั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็นศาสดาองคใดที่จะกล่าวถึงพระนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานได้อย่างกลมกลืนกันอย่างนมกรเลยนันพระนิพพานกับข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้นจะต้องกลมกลืนกันจากสูตรนี้เนี่ยนะที่ถ้าหาว่า ผู้ใดที่ศรัทธาในการปฏิบัติชอบการปฏิบัติเห็นว่าการปฏิบัตินั้นมีสาระมีประโยชน์ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องทีนี้ก็มาตรวจสอบข้อปฏิบัติของเราว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยนะควรจะได้นิพพานแบบไหนใช่นิพพานอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหมเนี่ยนะอย่างสมมติวนะ่าอย่างมีคําถามว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆๆๆทําไมมันมันปิดอบายทุกขติวินิบาตินรกได้ เพราะอะไรต้องอธิบายได้นะมันต้องกลมกลืนกันนะคือมันสมเหตุสมผลหน่อยบางั้นเถอะบอกว่าเออนี่ถ้าเธอปฏิบัติอย่างนี้ตัดภพตัดชาติได้กี่ชาติก็ว่าไปเนี่ยเธอจะเลิกเกิดในชาติที่แปดแล้วนะทำไมอะอธิบายหน่อยว่าทำไมจึงตัดภพตัดชาติเหล่านั้นได้นะ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 นันข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นมีทุกไหมทําไมจึงพ้นทุกได้พ้นทุกได้เพราะอะไรเนี่ยนะตรงนี้พยายามที่จะระลึกตรวจสอบสํารวจตรวจตราตัวเองไว้เสมอแค่ว่าตักเตือนตนด้วยตนเตือนตนด้วยตนแนะนําตนด้วยตนว่าสอดคล้องขนาดไหนนี้่ถือว่าสําคัญมากนะว่าต้องความกลมกลืนกันเนี่ยนะว่าอย่างสมมุติว่าเอ๊ะเขาจะไปไหนแบบอย่างสมมติว่าไปเชียงใหม่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 เอ๊ทำไมมันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงปิดนรกเปรตอสุรกายและเดราชานได้แน่นอนอ่นานิพพานนั้นดีอย่างไรเนี่ยนะทำไมจึงปิดนรกเปรตอสุรกายและเดราชานได้และปฏิบัติอย่างไรจึงจะตรัสรู้ทำอันนั้นอ่ะที่ปิดอบายทุกตินี้วินิบัตินรกได้มันความสมเหตุสมผลความกลมกลืนกันอันนี้ต้องมีแล้วข้อต่อไปอีกบอกคนนิพพานเป็นธรรมที่ดับกรรมเป็นธรรมที่ตัดกรรมว่า ง, งั้นเถอะตัดทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม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 ถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วเลิกยึดถือตัวเองได้อะนิพพานอนั้นดีขนาดไหนคืออะไรเนี่ยนะเลิกเลิกยึดถือเลยกายนี้เลิกเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเลยถ้าตรัสรู้นิพพานอ่า น, น, นะปกติแล้วเราเนี่ยแหมค า, าดหวังอยากได้โนู้นอยากได้นี่ต้องการ เรียกว่าหิวทางความหิวทางวิญญาณเลยนะหิวทางความคิดตลอดเวลาหิวอยากโน่นอยากนี่จนมันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องการไปเรื่อยๆเรียกว่าได้หนึ่งอยากได้สองลองสองเลยก็ได้สามเนี่ยนะเป็นต้นมีแต่ความอยากมีแต่ความทะเยอทยานอยากเห็นอยากได้ยินอยากรู้อยากคิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยถ้าตรัสรู้นิ่ผ่านนี่มันดับความอยากได้เอ๊ะนิ่ผ่านนั้นดับตัณหาได้เนี่ทําไมอ่ะอนิี้ผ่านนั้นจะดีอย่างไรนาะทําไมจึงดับตัณหาได้ อนิพพานเป็นธรรมที่ดับเวทนาดับความเจ็บปวดเวทนิพพานเป็นธรรมที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันสืบต่อเนื่องกันไปยังไงถ้ารู้นิพพานแล้วดับตาบางคนบอกว่าโอ้ห่วงว่าโอ้ถ้าเนื่องงั้นตาก็บอดแล้ิหมายาว่าเอาไหมถ้ามีตาคู่หนึ่งแต่เป็นตาคู่ที่ของสัตว์นรกเอาไหมบอกไม่เอา ตาเหมือนตาปูเป็นต้นเอาเป็นต้นเอาไหมทำยังไงที่เราไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนรกเปรตอสุรกายและเดรชาอะไรเนาะคือตัวที่มาดับดับการเกิดในอบายทุกขติวินิบาติธรรมะนั้นนะเป็นธรรมะพิเศษเรียกว่าพระนิพพานพระนิพนพานเนี่ยแปลว่าชารามรณะนิโรธภาษาบาลีชารามรณะนิโรธชาตินิโรธภวะนิโรธอุปาทานานิโรธตัหานิโรธ เวทนานิโรธสลายตนานิโรธภาษานิโรธนามรูปนิโรธวิญญาณนิโรธสังขานิโรธอวิชานิโรธข้อปฏิบัติคือข้อปฏิบัติเพื่อให้แทงตลอดชรามอรณานิโรธนะก็มีชรามรณานิโรธกับชรานิโรธทัามิหนีปฏิปทาข้อปฏิบัติอนัชรานิโรธคือธรรมที่ดับชรามรณะชรานิโรธทัามิหนีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อความดับ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 และปัจจุบันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ที่แสดงได้อย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นคำที่เท้าศักดิเนี่ยนะอันนี้จากการฟังตรงนี้อ่านตรงนี้เนี่ยนะเป็นเครื่องตรวจสอบในสิ่งที่เราปฏิบัติเหมือนกันว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยผลที่ได้รับกับสิ่งที่เราปฏิบัติกลมกลืนกันอยู่ไหมสมเหตุสมผลกันไหมถ้าไม่สมเหตุสมผลแปลว่าถูกหลอกแล้วเนี่ยนะ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 ทุยทศพลสูตรสั่งยุตินิกายนิทานวรกในพระองค์บอกว่าธรรมะอันเลิศคือพระนิพพานเนี่ยนะต้องตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติที่เลิศข้อปฏิบัติที่เลิศคือศรัทธาที่เลิศวิริยะที่เลิศสติที่เลิศสมาธิที่เลิศปัญญาที่เลิศทําให้ตรัสรู้พระนิพพานเป็นที่เลิศเนี่ยนะท่านพระองค์จึงตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์จึงบอกว่าธรรมะของพระองค์ในสุขุมลึมลึกรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยาก รู้ได้ในเฉพาะวิสัยของบัณฑิตเท่านั้นแต่มูสัตทั้งหลายมีใจเป็นอื่นเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรว่ า, ว า, วามีใจคล้องด้วยราคะโทสะและโมหะยินดีในรูปเสียงเปลีน่นรสโพธะะไหนถ้าเขานิพพานก็มันตรงกันข้ามเป็นธรรมที่ทวนกระแส ข, ของเขาเกือบทุกเรื่องเลยเนี่ยนะแม่ถ้าเราสอนแล้วเขาไม่รู้นั้นมันเราเหนื่อยเปล่านะเนี่ยไม่สอนดีกว่าก็ที่มาของพรห ม, มาจโลกาทิปติสัมปติอะไรเป็นต้นเนี่ยคือธรรมะนั้นจะต้องเป็นธรรมะที่ละเอียด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 ดังคล้ายๆถ้าอุปมาเหมือนทางโลกบางค น, นมีลูกเป็นเพื่อนใช่ไหมชั้นใดพระพุทธเจ้ามีพระเสขะคือพระโสดาบันพระสะกะทาคามีพระอนาคามีเป็นสหายเนี่ยพระเสขะเหล่านี้ยังต้องศึกษาในสิกขาสามอยู่ต่อไปหรือพระอรหันต์ผู้จบศึกษาแล้วศึกษาจบแล้วศึกษาเสร็จแล้วศึกษาสิกขาสามจบแล้วศึกษาอริยสัจเนี่ยนะทำกิจสิบหกเสร็จสิ้นแล้วบรรลุอรหัตผลอันเลิศแล้ว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 ถึงเขาจะดีแต่ก็พระองค์ก็ไม่มีฉันทราคะติดใจในสิ่งนั้นเหมือนอย่างว่าน้ําไม่ติดในใบบัวชั้นใดพระองค์ก็มีใจไม่ติดข้องในอารมณ์ทั้งปวงที่เห็นที่ได้ยินที่รู้กลิ่นที่รับรู้รสแม้แต่ความคิดของพระองค์พระองค์ยังไม่มีฉันทราคะเยื่อใยติดพันในความคิดแม้แต่ราคะเนี่ยนะความติดใจในความคิดของพระองค์เองก็ไม่มีแต่พระองค์ก็แยกว่าอะไรเป็นดีอะไรเป็นชั่วอะไรเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยนะแยกได้หมด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 เพราะว่าบางคนเนี่ยชอบอะไรนะอยู่คนเดียวไม่ได้นะอยู่คนเดียวเนี่ยเงาเลยนะเป็นโรคเหงาบางกันเถอะแต่พระองค์เนี่ยชอบอยู่คนเดียวทั้งๆ ท, ที่บริวารของพระองค์นี่มากทั้งบริวารทั้งที่เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ในทุกระดับชาติชั้นมันนะแล้วก็มีสาวกทั้งระดับเทวดาและพรหมโลกแต่พระองค์มีความสุขในการอยู่คนเดียวแต่ถามว่าถ้าเข้าไปหาบริษัทเป็นต้นพง ค, ครั่นครน ม, ม, มั้ยไม่ ไม่เคยขั้นครามเนี่ยนะเรียกว่าเวสะอาจตุเวสารชยานยานที่ทําให้พระองค์ไม่ขั้นครามมีสี่ประการพระองค์ไม่ขั้นคลั่มในบริษัทแปนะในกษัตริย์บริษัทพรามบริษัทขึ้หาบดีบริษัทสมณะบริษัทจ่าตุมบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทพรมบริษัทบริษัททั้ง8ดเหล่านี้พระองค์ไม่เคยขั้นครามแม้แต่บริษัทเดียว เพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้อย่างยิ่งทั้งหมดแล้วไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่ตรัสรู้หน <MO> ึ่งข้อสองพระองค์สิ้นกิเลสหมดสิ้นแล้วไม่มีกิเลสเหล่าใดที่เหลือเลยสามสิ่งใดที่พระองค์สอนว่านําออกจากทุกสิ่งนั้นนําออกจากทุกจริงข้ k 4. 4. อสี่พระองค์อะไรที่พระองค์บอกว่ามันเป็นอันตรายสิ่งนั้นก็เป็นอันตรายอย่างที่ พ, พระองค์กล่าวพระไม่มีอะไรที่จะทําให้ใครมาว่าพระองค์ว่า เอ่อต้องคลั่งคลั่นครามเป็นต้นไม่มีอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งพระองค์เนี่ยไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจและอาชีพที่เป็นเหตุให้คนอื่นมาเรียกว่าโจดได้ทักทวงได้เนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านยังมีโลภะโทสะโมหนะนั้นท่านทําชั่วด้วยกล้ายด้วยว่าจะตามโจดตามฟ้องตา ม, ตามร้อ ง, องเพราะท่านแหมเดี๋ยวคนนั้นจะมาโจดเอาพวกเราไปทําพลาดไว้ตรงนั้นน่ะนะลูกศิษย์ช่วยช่วยกันรักษาหน่อยนะพระพุทธเจ้าไม่มี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 คนที่เรียนอภิธรรมมาก็จะเข้าใจจิตตะนิยามว่าพระองค์เข้าได้อย่างไรงนี่นะทันพระก็เข้าพระละสมาบัติไม่ได้ฟังพอเขาออกเขาอาสาทุจบพระองค์ก็ออกมาและแสดงทำต่อนี่นะพระองค์ไม่ได้มีความติดข้องอะไรอะไรแม้แต่นิดเดียวไม่มียินดีในการยัวิเวกอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ท่ามกลางบริษัทมากมายแล้วพระองค์แบบเพลิดเพลินกับการครุกเคลียอะไรเป็นต้นไม่พระองค์นี่ยินดีในธรรมที่สงบทุก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 พระพุทธรูปเนี่ยนะโหต้องสร้างศาลาที่ประฏิสถานพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอยู่แต่ที่ดีทั้งหมดเลยนะวิหารทองคําพระพุทธรูปทองคําแต่ยิ่งอะไรนะพระธาตุทั้งหลายเนะี่ยโวพระธาตุแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะมูลข้ามหาสาลบางแห่งเนะี่ยเป็นร้อยล้านบางแห่งเป็นพันล้านเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเลยพนระนั้นพระพุทธเจ้านั้นจะมีลาบสการะขนาดไหนเนี่ยนะนจำนวนลาบสการะตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบันนะ ไปหลายๆประเทศเราจะรู้ว่าสมบัติของพระพุทธเจ้านี่มากจริงๆเลยนะมีใครนะั้นมีสมบัติเท่าพระพุทธเจ้าอีกล้ขนาดสองพันกว่าปีก็ยังมีสมบัติมากมายมหาศาลอย่างที่บอกว่าโดยที่สุดแม้แต่แผ่นดินไทยเนี่ยนะนะพระราชาพระองค์ก่อนๆ ก, ก็ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาด้วยสมบนะัติแน่ะ บอกว่าอย่าพูดถึงโบสถ์วิหารแบบของวัดของอะไรทั่วๆไปเลยเนี่ยนะนะบางคนก็บอกว่าทรัพย์ของเขาทั้งหมดก็คือเหมือนกับของพระพุทธเจ้านั่นแหละเขาจะทําอะไรทุกอย่างที่เพื่อเป็นบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะบางท่านก็เป็นอย่างนั้นทันแล้วก็ชื่อเสียงก็บอกไม่มีใครมีชื่อเสียงเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าดังหมูนงูนาคทั้งหลายก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าเพราชมว่าอีตีปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธหรือที่เราสวดเรื่มงอะไรนะเอ่อ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 และอรูปปรพรหมอรูปปรพรหมก็ระลึกถึงเจริญผู้ธานุสติเหมือนกันเพราะอารูปปรพรหมที่เป็นอริยะนี่มีอยู่นี่ในไม่ใช่มีจั ก, กรวาลเดียวในหมื่นจั ก, กรวาลแสนจั ก, กรวาลเขาเหล่านั้นก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระอาหารหันต์ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพฉะนั้นผู้ใดเจริญผู้ธานุสติเท่ากับว่าชื่นชมสรรเสริญคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเพราะในเรื่องของอะไรลาบสการะในเรื่องของชื่อเสียงเนี่ย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 เขาเอาสิ่งเหล่านี้นี่นะมาบูชาในขันที่พระ อ, องค์ทํำปริญญาหรือพิจารณารอบรู้เสร็จแล้วนะเขามาบูชาในสิ่งที่พระ อ, องค์กาหนดรอบรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะพระ อ, องค์ไม่มีฉันทราคะเลยแต่พระ อ, องค์ก็อนุโมทนากับบุญที่เขาเหล่านั้นได้กระทำแต่พระ อ, องค์ไม่มีใจมีฉันทราคะในวัตถุข้าของเครื่องใช้ แล้วก็ไม่เคยหมายความว่าโอ้โหลําพองใจมากที่มีชื่อเสียงคนนั้นก็รู้จักเราคนนั้นก็ชมเราคนนู้นก็ชมเราดูสิเทวดาก็ชมพรหมก็สัมเสสนี่ดีใจจริงเลยเนี่ยนั่งยิน้นแหคนนั้นก็รู้จักเราคนนี้ก็รู้จักเราคนนั้นก็เอ่ยชื่อเราเป็นต้นพองแบบนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าพราะองค์ไม่มีฉันทราคะในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่คนเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างอาหารเนี่ยนะอาหารทุกคําที่พระ อ, องค์เสวย เสวยเทยวดาจะคอยหยอดหยอดอะไรโอชาทิพย์ลงตลอดทุกคาที่พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่เคยมีตัณหาในอาหารเหล่านั้นเลยนะไม่มีฉันทราคะในอาหารเหล่านั้นเลยเทา้าสกะจึงบอกว่าเราไม่เคยเห็นศาสดาที่ปราศจากความเมาบริโภคอาหารหรือบริโภคปัจใจสีอยู่อย่างนี้พูดถึงพร้อมด้วยองค์แม่นี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอันยาวไกล นะหรือปัจจุบันก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่มีตันหาในวัตถุทั้งหลายเลยเนี่ยนะพันธ์เขาบอกว่าพผ่ารหันแปลว่าผู้ที่กําจัดฉันทราคะในอารมณ์ได้ทุกชนิดตัดเยื่อใยในทุกอย่างได้หมดเลยแปลว่าไม่มีเยื่อใยไม่มีฉันทราคะเหมือนกับว่ามเมล็ดพันธุ์พืชที่คั่วสุกแล้วเนี่ยพ่อไม่ขึ้นเนี่ยนะจะเอาน้ําไปรสเท่าใดก็ ง, งอกไม่งอกเนี่ยนะ เหมือนอย่างว่านะถ้าเอาเม็ดขนุนมาคั่วให้สุกให้ดีให้กรอบเลยเนี่ยนะอ่ารดน้ำโพรงดินใส่ปุ๋ยหรือว่าไมาเอาเมล็ดอะไรมาฉีดอาจทำให้อันนี้ยมันเพาะงอกขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมโยังว่าเป็นได้ไหมยังไงก็เป็นไปไม่ได้ฉันได้พระหันก็คือผู้ที่มีพืชคือปฏิสนธิสิ้นแล้วเพราันจะเพาะยังไงให้เกิดยางคือฉันทราคะเกิด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 ถาว่าพระองค์ยินดีอย่างเดียวคือยินดีในนิพพานนะนะยินดีในพระนิพพานแต่ไม่ได้ยินดีด้วยตัณหานะเพราะนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นตัณหาถ้าตรัสรู้ตัณหาแล้วดับนิพพอา่าขอไปถ้าตรัสรู้นิพพานแล้วดับตัณหาได้นิพพานนั้นจึงเป็นธรรมที่ประเสริฐจริงๆข้อเจ็ดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้มีปกติตรัสอย่างไรก็มีปกติทำรรอย่างนั้น มีปกติทำอย่างไรก็มีปกติตรัสอย่างนั้นด้วยประการชนีก็เป็นอันว่าพระองค์ทรงมีปกติตรัสอย่างไรทำอย่างนั้นทาอย่างไรตรัสอย่างนั้นไม่ทำเกินกว่าที่พูดไม่พูดเกินกว่าที่ทำทำอย่างที่พูดพูดอย่างที่ที่ทำมันจะไม่มีเกินเนี่ยนะเขาบอกว่าเราไม่เคยเห็นศาสดาใดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้กายวาจาใจสอดคล้องกันไปหมด เนีนะกายวาจาใจกลมกลืนกันไปหมดไม่มีเสียแปลว่าพระองค์สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะจริงๆวิชาพระองค์รอบรู้จริงจรงจรณะความประพฤติวิชาสามเนี่ยนะวิชาที่รู้อดีตรู้วิชารู้อดีตเรียกว่าปุเพนิวาสานุสตยานวิชาที่รู้เรียกว่าจุตูปปปัตยานหรือปัจจุบันอนาคตเรียกว่าจุตูปปปตยานวิชาที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเรียกว่าอาสวัคยยานและ จารณะเนี่ยนะคือศีลอินทรียสังวรโพชเนมตันยุตาชากริยานุโยกสัทธาฮิริโอตัปปะสุตะวิริยสติสมาธิปัญญาปทมฌานทุติตติจตุทชาเนี่ยนะทั้งนิโรสมาบัติพราสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะท่านพระองค์เนี่ยมีปกติกายวาจาทั้งวิชาทั้งจารณะของพระองค์เนี่ยดีเยี่ยมเลยปฏิบัติสมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีใครปฏิบัติได้สมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ ไม่มีผู้ใดจะตําหนิ พ, พระพุทธเจ้าในเรื่องกายกรรมได้ไม่มีผู้ใดว่าแหมพระองค์ไม่ไไมน่าตรัสํานี้เลยด้วยวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยนะเอาเอาบัณฑิตเข้าว่านะไม่ใช่แม้คนเออเอาคนตาอักษม่าเอางี้ดีกว่ า, อาเอาคนตาบอดมาวิจารสีเนี่ยมาสีอันนี้ไม่ค่อยสวยเลยเอาเอาเป็นประมาณได้ไหมคนหูหนวกบอกได้บอกเขากมีคนเขาพูดกันคนหูหนวกบอกแหมคนนั้น เ, เสียงมันแหบฟังไม่ดีใช้ไม่ได้ ถามว่าเอาเป็นประมาณได้ไหมเอาตาบอดวิจารณ์รูปเอาหูหนวกวิจาร์เสียงเนี่ยเป็นเอาได้ไหมชั้นใดก็ดีเนี่ยนะอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางคนที่เป็นคนพานก็ตําหนิเหมือนกันด่าเหมือนกันเพราะอะไรพระพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่านัตติโลเกอานินที่โตในโลกคนที่ไม่ถูกดา่าไม่ถูกนินทาไม่ถูกอะไรเนี่ยไม่มีมีหมดเลยเชื่อเหอะนิ่งก็ถูกดา่าพูดก็ถูกดา่าพูดเรียกว่าพูดเนอะพูดมากก็ถูกดา่าพูดพอดีพอดีก็ถูกดา่า พูดน้อยก็ถูกด่าเพราะคนที่เกิดมาในโลกไม่ถูกด่าไม่มีนะเพราะกรานะัติโลกเก อ, อนินทิโตเนี่ยนะคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกหรอกเพราะฉั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีคนตําหนีไม่ใช่น้อยแต่พวกคนที่ตําหนีพระพุทธเจ้าก็คือตาบอดวิจารณรูปหูหนวกวิจาร์เสียงจมกูกเสียวิจารณ์กลิน่นลิ้นจระเข้วิจารณรสอาหารเนี่ยนะจระเข้ไม่มีลิ้นหรอก <laughs> ก็คือลิ้นจระเข้หรือคนเป็นอมพรพฤกษอมาพาศบอกแม้อันนี้นิ่มเหลือเกินเนี่ยนะ เอามาพลึกหมดตัวไปแล้วเนี่ยนะเอามาพาดหมดตัวไปแล้วแม่นอนสบายสบายไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเนี่ยนะบอกไม่มีความรู้สึก อ, อะไรนะคือคือเอาคนกลุ่มนั้นเป็นประมาณไม่ได้เอาคนอย่างเขาว่าเอาคนโง่ขาววิจารณอารมณ์ได้ไหมเอาเนี่ยเอาปัญญาอ่อนวิจารณ์เรื่องแม้อะไรนะพระไตรปิฎกเนี่ยนะคนปัญญาอ่อนมาถึงว่าออ้ยพระไตรปิฎกนะใช้ไม่ได้แต่เราก็รู้แล้วนั้นยืนตบกันน้ำลายหลายยืดสงังอสัแง่เนี่ยมาโอ้โเอาเป็นประมาณไม่ได้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 อัะ ส, ะะสะกะทภาคกาามีก็สว่างขึ้นกว่านั้นหน่อยพระนาคามีก็สว่างกว่านั้นหน่อยถ้าสุดพระราหน่ะสว่างเหมือนดวงประทีปน้ำมันที่จุดสว่างพระหันเช่นพระคราสาวก็เหมือนไฟกองตโตๆที่สว่างมากพระประเจกพระพุทธเจ้าสว่างเหมือนอะไรเหมือนดวงจันทร์พระพุทธเจ้าสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันผ่านดวง ถ้าดวงอาทิตย์พันดวงสว่างเนี่ยนะหนึ่งดวงสว่างกลางวันโดยที่ไร้เมฆมองเนี่ยนะถ้าพันดวงนี่จะสว่างขนาดไห น, นพราะพุทธปัญญานี่สว่างขนาดนั้นนี่พอมาเปรียบเราบอกถ้าพระโสดาบันสว่างเท่าหิ่งห้อยแล้วพวกเราล่ะก็บอดสนิทเลยอ้าถามว่าใครเคยเห็นอริยศาสตร์บ้างไหมเอา้าอย่าว่าเห็นเลยวันนี้คิดถึงอารยศาสตร์กี่ครั้งเนาะเนี่ยนะ ก็เป็นแบบบอดยแต่ว่าแมนั้นรับไม่ได้ทําใจไม่ได้นะมาหาว่าเราบอกได้ยังไงเรามีตาตาปติปแล้วกลับบ้านถูกกันแล้วกันนาเหมืนกันกลับบ้านถูกมาบอกว่าเราบอดได้ยังไงบอกบอดทางปัญญาเหงือนกันมาได้บอกทางจักรูวิญญาณนะเขาไม่เคยเห็นอริยสัจเลยบอกว่าก็เห็นคนแก่ไหมเห็นแต่ไม่เห็นอริยสัจเห็นเห็นคนตายไหมเห็นแต่ไม่เคยเห็นอริยสัจก็เห็นเออเกิดแก่เจ็บตายก็ธรรมดาเห็นไม่มีอะไรเลยแต่เชื่อไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเห็นเกิดแก่เจ็บตาย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 ไม่พระองค์นั้นเนี่ยข้ามความสงสัยได้เลยถ้าสงสัยเนี่ยสงสัยอะไรสงสัยอดีตสงสัยอนาคตแล้วก็สงสัยในปัจจุบันถ้าสงสัยในอดีตเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเราเร า, เราหายสง ส, งสัยไหมว่าเมื่อสมมติว่าที่ตรงนี้ที่เรานั่งเนี่ยนะถ้าถอยหลังเป็นหมื่นล้านปีครั้งอดีตเนี่ยนะมันคืออะไรถ้าเราถ้าเราร ะ, ะลึกไม่ได้เนี่ยนะก็แปลว่าเรามีความ สงสัยหรือไม่เข้าใจมันมีสองอย่างน่ยนะถ้าเรียนอภิธรรมมาก็บอกว่าจิตที่ประกอบกับโมหะมีสองอย่างหนึ่งสงสัยกับสองฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราพูดถึงอดีตปั๊บเนี่ยเราสงสัยไหมว่าเอในอดีตตรงเนี้มีอะไรบ้างเมื parfois, battle, ША, deeper, wars, ่อร้อยสองร้อยสามร้อยสิบเมื่อยี่สิบสาสิบล้านพันล้านปีหมื่นล้านปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้มันคืออะไรเอาถามะต่อไปอนาคตแหละ อีกสิบยี่สิบห้าสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านปีข้างหน้าต่อไปสถานที่ตรงเนี้ยมันคืออะไรถ้าของเราปลาพอมึดติบเลยนะ 400. เอ๊ไม่รู้เหมือนกันเอ๊มันจะเป็นอะไรนะวัดนี้นะสิบปีข้างหน้ามันจะร่างหรือมันจะเจริญเอ๊ยยี่สิบปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงห้าสิบปีข้างหน้าใครจะมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะโอ้ไม่สงสัยไปเรื่อยนะถ้าจะจะให้มันคิดไปยังไงะมันก็คิดมาแล้วก็สงสัยแต่พระพุทธเจ้าไม่มีกาสงสัย คิดง่ายบอกว่าถ้าหากว่าพระองค์เนี่ยนะมานั่งปุ๊บเนี่ยพระองค์หายใจหึดหนึ่งเนี่ยพระองค์รอบรู้หมดเลยว่าอดีต ท, ทั้งหมดที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็แปลว่าหายใจยังไม่ทันเข้าออกสนิทเลยเนี่ยนะรู้หมดเลยวอนาคตต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะสมมติว่าเห็นหน้าใครปั๊บเลงเลยอดีตเมื่อล้านกลับที่แลว้วเขาเป็นใครทาอะไรมายางไรอนาคตต่อไปอีกเป็นแสนล้านกลับข้างหน้าเขาจะเป็นอะไรบ้าง หมนล้านกลับอย่างน้อยพระพุทธเจ้าทีปังกรเห็นพระบริษัตร์บอกว่าคนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีกสี่อสงไขยแสนกลับแล้วบอกด้วยนะมีพ่อชื่อนี้มีแม่ชื่อนี้นี่ยนะอ อ, อ, ออกบวชตอนอายุเท่านี้ยากแบบนี้นะไปฉันอาหารตรงนั้นบรรลุตรงนั้นเล่าให้ฟังเลยทั้งัง้ ง, งเหตุการณ์อีกสี่อสงไขยแสนกลับ นี่พระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันหึมหลวงพ่อรู้เลยว่าเมื่อเสียสงไข้เทิร์กลับที่แล้วนะมีพระพุทธเจ้าพยากรณ์เรามาอย่างนี้นะนะพระพุทธเมื่ออสงไขยที่แล้วนะเสียอสงไขยที่แล้วเราได้รับพุทธพยากรณ์มาจากพระพุทธเจ้าพนามว่าทีปังกรอสงไขยที่สองพระพุทธเจ้ากูรัญญพยากรณ์สงไขยที่สามพระพุทธเจ้ามังคละสุมาณเรวตะโภพิตะพยากรณ์สงไขยที่สี่มีพระพุทธเจ้าอนุมัตสีเป็นต้นพยากรณ์พอ ไล่มาเรื่อยๆมาแสนกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าพนามว่าปทุมุตระพยากร94เกบกับที่แล้วพระพุทธเจ้าสิทธถพยากรเนี่ยนะเมื่อเกสบสองกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าติดสาพุทสาพยากรมาเมื่อเกอดกับที่แล้วพระพุทธเจ้าวิปัสสีพยากรเรา เมื่อสามสบเอ็ดกับที่แล้วพระพุทธเจ้าสิข่ขีเวสภูพยากรในกลับเดียวกันนี้แหละพระพุทธเจ้ากับกุสันทะโกนาขมณนะกัสสะพยากรเราผู้เนี่ยนะแล้วพยากรเล่าหมดแล้วมีอะไรบ้างพระองค์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี่เรลงไปข้างหน้าหมดเลยพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็เลงไปอดีตก็ได้หมดเล่งต่อไปข้างหน้าก็ไม่มีความสงสยยัยเลยนะแม้แต่เหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างบอกสายตาปกติพระพุทธเจ้าเนี่ยมองเนี่ยสิหกิโลเมตร นนะโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมองไม่มีอะไรปิดบงังสายตาปกติเนี่ยตาปัญญาเนี่ยเท่าที่ปรารถนาจะเห็นเห็นทั้งหมดเลยไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแม้แต่นิดเดียวว่างั้นะไม่เคยมีท่ออะไรเพราะรู้ไปหมดเรียกว่าสัพพัญยูสัพพัญยุรู้สัพสิ่งนี่เป็นอาสาธารณญาณมีเฉพาะสำหรับของ พระพุทธเจ้าวันพระองค์จึงข้ามความสงสัยได้ทุกชนิดทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะไม่มีใครที่ถามปัญหาพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ตอบไม่ได้แต่มีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ตอบปัญหาคิดแบบคนบ้าพระองค์ไม่ตอบนะปัญหาคิดแบบคนบ้าเช่นนะคนบ้าเขาถามว่าเออสาวเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย เาสามีลูกได้ไหมนะถ้าเป็นเสาเป็นผู้เสาเนี่เป็นผู้หญิงเสาเนี่เป็นผู้ชายแล้วสองเสาเนี่ยจะมีลูกได้ไหมถ้าใครตอบก็คือคนเทียนเลพระพุทธเจ้าปัญหาหลายกลุ่มแค่ว่าไม่ต้องตอบเพราะคิดถ้าตอบแล้วก็ไอคนที่ตอบนี่น่าจะบ้ากล่าวว่างั้นเถอะพระองค์ก็ไม่ตอบปัญหาประเภทนี้พระองค์ไม่ตอบแต่ถ้าเป็นปัญหาที่มีประโยชน์เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์ไม่ตอบไม่มี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 พวกที่แต่พวกแรกก่อนนะบอกอู้ไม่เข้าวัดก็ไม่เห็นจะเป็นไรพวกที่อยู่วัดจะดีนักหรือไงอ่ะครับเลยตัวเองก็อยู่บ้านไม่ได้ของเข้าวัดแล้ะพวกบอกบางคนว่าอู้เข้าวัดก็ดีแล้วบางพวกก็เลยมาอ๊ยเข้าวัดแล้วรักษาศีลได้อย่างนี้ก็ได้ฟังทำบ้างก็ดีแล้วบางคนก็เลยไอีแหมเข้าวัดแล้วได้รักษาศีลเนี่ยมันดีแล้วบางคนก็เลยไปอีกแหมถ้าได้เจริญสมถะนี่ดีนะพอแล้วสมถะก็พอแล้วบางคนนี็เลยมาบอกอู้เด็กเจริญนี้ปัสนาระดับนี้ก็พอแล้ว บางคนก็เลยไปอีกทั้งสมถาวิปัสนาควบคู่กันบ่ายท่านใดจเจริญได้ระดับนี้ก็พอแล้วบางคนบอกแมยท่านเลยขนานี้ได้เป็นพระโสดาบันพอแล้วคนบอกถึงสกอ า, าคามีบอกพอแล้วบางคนเป็นพระนาคามีบอกพอแล้วบางคนขอให้มันเป็นพระอารหันต์อย่างเดียวเท่านั้นนหะพอแล้ว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 และพระองค์นั้นไม่มีความสงสัยในเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคอริยมรรคคือโสดาปติมรรคสากัฏฐคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคที่ประชุมพร้อมด้วยองค์แปข้อปฏิบัติเบื้องต้นทำยังไงจึงจะเข้าถึงมรรคผลได้เนี่ยนะพระองค์ไม่มีความสงสัยเลยในส่วนเหล่านี้อันพระองค์จึงสามารถสอนทุกสูตรคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีรสเดียวคือ มุติรสรสแห่งความหลุดพ้นจากวัตถทุกข์พันคําสอนของพระองค์ทุกสูตรทุกคําสอนสอนเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นคําสอนทั้งหมดของพระองค์นั้นสอนเพื่อดับทุกข์มันจึงมีรถเดียวแบ่งเป็น2คือธรรมวินัยแบ่งเป็นสนรรมมนาน 3, พระไตรปิฎกหรือปฐมพุทธพจน์มัชชิมพุทธพจน์ปัชิมาพุทธพจน์หรือว่าแบ่งเป็น5้าเรียกว่านิกาย5แบ่งเป็น9คําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9แบ่งเป็น4 84% แปดพันโดยพระธรรมขันธ์นี่ยนะพันคำสอนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะ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 เพราะฉันสามสิบหกล้านปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมีพระพุทธเจ้าก่อนนะั้นแบบนี้มาก่อนเลยก่อนนะจริงๆท่านไม่ได้สามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าองค์อดีตพระกัสสปะพระโกนาคมณะพระอกัคคุสัน t h เป็นต้อนอะไรนะท่านเพราะท่านอายุท่านก็ขอบเขตจํากัดความรู้ของท้าสกจะจริงๆก็อยู่ในขอบเขตที่จํากัดเพราะฉะนั้นท่า น, านบอกว่าท่านไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเช่นนี้มาก่อนเลยนะี่ทีนี้ ทีนี้พูดถึงเรื่องที่ที่เอามากล่าวนี่เป็นเรื่องของใครปัญจสิกขั์นักร้องเนี่ยนะเทวดานักร้องที่เอามาเล่าให้ฟังว่าเขามีการประชุมว่าเท้าสักกะคือพระอินท์เล่าเรื่องนี้ในสมาคมเทวดานะสมาคมของเทวดาที่มาประชุมทั้งเทวดาชั้นจาตุมและดา ว, วดึงมาประชุมกันและพระองค์ก็กล่าวทีนี้ เล่ากันมาว่าทวยเทพคือเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะชื่นใจบันเทิงเกิดปีติโสมนัตเป็นอย่างยิ่งเพราะฟังพระพุทธคุณตามความเป็นจริงแปดประการของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นนะะเทวดานี่เขาดีใจมากเลยนะที่รอบรู้พุทธคุณเพิ่มอีกได้ตั้งแปดข้อว่ากันดีใจมากครั้งนั้นเทวดาบางพวกก็พูดกันอย่างนี้ว่าน่าอัศาจ ร, รย์จริงๆหนอท่านผู้เจริญทั้งหลาย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 ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ฐานะคือเป็นปัจจเป็นไปไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะโลกกระท่าทั้งหมดรองรับพระพุทธเจ้าได้ทีละองค์ไม่สามารถรองรับได้หลายองค์เหมืองกันก็บอกอ้าวพระพุทธเจ้ามีคุณมากทําไมโลกกระทาจะรองรับไม่ได้เอางี้ดีกว่าบอกว่าในมิลินทะปัญหายกมาว่าเอาทองคําหรือเอาเพชรพลอยเป็นต้นเนี่ยนะบรรทุกเวียนสองสองสองเกวียนเนี่ยนะเต็มที่เลยนะบอกว่าเกวียน ที่สุดของเกวียนบรรทุกได้เท่าไหร่ก็ใส่ให้มันเต็มที่เสร็จแล้วก็ขนเอารัตนะอนะถ่ายเกวียนออกไปหนึ่งลำแล้วเอารัตนะสองเกวียนเนี่ยมาใส่กับอีกลำหนึ่งาจะเป็นยังไงก็บอกเกวียนนั้นแตกทําลายฉันใดโล ก, กาธาตุทั้งหลายก็ไม่สามารถรองรับพระพุทธเจ้าได้ทั้งสององค์เป็นต้นไปขนาดองค์เดียวยังวันไหวขนาดนี้มันันนะี่ยหมื่นโลกาธาตุวันไหวตั้งแต่อะไรปฏิสนธิในครันพระพุทธมารดานี่โลกาธาตุก็วันไหว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 กล่าวแต่คําที่ถึงประโยชน์เท้ามหาราชทั้งสี่ก็ตรัสพร่ำสอนแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ในเพราะประโยชน์นั้นประทับนั่งบนอาสนะของตนของตนไม่ยอมแ ย, ยกยะให้กันไปเพราะฉะนั้นกล่าวเป็นคาถาว่าเท้าเธอเหล่านั้นกล่าวแต่คําที่กล่าวแล้วรับคําพร่ำสอนเป็นผู้มีจิตผ่องใสได้ประทับบนอาสนะของตนคําว่าประโยชน์เนี่ยแบ่งอมาเป็นสองกรุ๊ปสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในชุดที่หนึ่งมีสามข้อ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 ตอนนั้นสุนังกุมารพรมก็มาปรากฏนี่นะมาปรากฏสุนังกุมารพรเนี่ยรู้เลยนะว่าเทวดากําลังพากันเลื่อมใสาใจของเขาทุกคนมีศรัทธากันเลยเนี่ยนะแล้วก็หายไปอนุโมทนาด้วยาาคาถาพทธเจ้แล้วก็อนุโมทนาว่าโอ้หนอท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงพร้อมทั้งพระอินย่อมบันเทิงไหวยอยู่ซึ่งตถาคตคือพรก็เนี่ยเขารู้นะว่าทุกคนกําลังไหวพระพุทธเจ้าอยู่ กำลังเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าและความที่พระธรรมเป็นทำรรอันดีและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นะเทวดาเหล่านี้เขาเห็นอยู่ซึ่งพวกเทพรุ่นใหม่ผู้มีรมัศมีมีพะยศะประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตแล้วมาในที่นี้พวกเทพเหล่านั้นก็รุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นทั้งโดยรัศมีโดยยศและโดยอายุเนี่ยนะ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 เสียงที่ประกอบไปด้วยองค์ปดนะนะเกิดมาเกิดมาได้ยินแต่เสียงคนแหบพูดกันเลยไม่เข้าใจว่าไอ้เสียงดีที่สุดเนี่มันเป็นยังไงทีนี้สุนันกุมารพรมก็ทําให้บริษัทเข้าใจแจมแจ้งด้วยเสียงมันพอพูดพอพรมพูดนับคมทุกคนเข้าใจทันทีพระพุทธเจ้าเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งว่าพราะองค์พูดตรัดปับ๊บเนี่ยคนเข้าใจอย่างที่พระองค์ประสงค์เลยนะพระพองค์สื่อใช้เสียงที่เรียกว่าสื่อให้ให้เข้าอย่างที่เขาเข้าใจเลย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 ทนี้สนังกุมารพรมก็ทูลคำนี้กับท้าวสกกะจอมเทพว่าสาธุจอมเทพดีแล้วเมฆข้าพเจ้าหรือหม่อมฉันก็พึงฟังพระคุณตามที่เป็นจริงแปดประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอยากฟังบ้างะนะคุยอะไรกันทำไมดีใจกันหมดเลยขอฟังบ้างท้าวสกกะก็เล่าให้ฟังทั้งแปดข้ออย่างที่กล่าวไปแล้วทบทวนนะทบทวนหนึ่ง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 อยู่ในน้ําเสร็จแล้วพ้นจากน้ําแล้วไม่เปื้อนด้วยน้ำํำฉันใดพระพุทธเจ้าก็เกิดในโลกจเจริญเติบโตในโลกพระองค์ก็ไม่เปื้อนในโลกด้วยอํานาจตันหาฉันนั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งโลกเพราะอะไโลกพระองค์ก็กําหนดรู้แล้วโลกกสมุ ท, ทยัยพระองค์ก็ละแล้วโลกอานิโรธพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วโลกะนิโรทคามินีปฏิปทาพระองค์ก็ปฏิบัติจนสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะ มันก็ไม่เคยไม่เคยพบเห็นผู้ใดเป็นอย่างนี้มาก่อนข้อเจ็ดบอกว่าพระองค์มีปกติตรัสอย่างไรก็ทําอย่างนั้นทําอย่างไรก็มีปกติตรัสอย่างนั้นทําอย่างที่ปฏิบัติปฏิบัติอย่างที่เออเข้าไปปฏิบัติอย่างที่พูดพูดอย่างที่ปฏิบัตินั่นแหล่นะเป็นศาสดราที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจริงๆเิงแบบนั้นข้อแปดพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้ามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงทั้งอดีตอนาคตและ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 ตันนั้นมาเราก็ไม่เคยได้ยินมาเลยใช่ไหมและต่อไปก็ยากนอกหากรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าข่าเท้าสักกะเล่าพระคุณตามเป็นจริงเหล่านี้ให้สนังกุมารพรมฟังอเอ่อฟังซ้ําอีกรอบหนึ่งเพราะเหตุนั้นแหละเล่ากันมาว่าสนังกุมารพรมเนี่ยชื่นใจมากนะพรเนี่ยดีใจมากเลยนะได้ฟังพระคุณตามความเป็นจริงของ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 มันก็ขอให้ศรัทธาที่เจริญแล้วนี้จงเป็นเป็นศรัทธาที่เป็นบาตรฐานแห่งโสตาปฏิยังฆ่าธรรมเป็นศรัทธาที่เป็นบาตรแห่งการคบสัตว์บุรุษฟังธรรมของสัตว์บุรุษคือครบพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกุตรธรรมตามพระพุทธเจ้ามันขอศรัทธาอันนี้เนี่ยนะเป็นศรัทธาสัททินรียเป็นศรัทธาภละเป็นศรัทธาที่เป็นไปเพื่อ ความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานขอศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา จ, จงเจริญแก่ญาติโยมตลอดไปเนี่ยนะขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ทํำแล้วนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายโดยประการทั้งปวงขอบุญกุศลเหล่านี้ให้เจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดายิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปเนี่ยนะสำหรับที่โยมเกียรติถามเมื่อกี้ที่บอกว่าฟังธรรมเนี่ยนะ บรรลุเป็นต้นได้ไหมบอกว่าในพุทธศาสนาฟังบรรลุมากกว่าปฏิบัติบรรลุฟังเนี่ยนะบรรลุมากกว่าไปปฏิบัติเองนะทั้งๆสมัยพุทธกาลอย่างเช่น่ะเคยได้ยินไหมว่าผู้ไปปฏิบัติเองแล้วบรรลุทีลหมื่นทีละแสนบอกไม่มีแต่ถ้าฟังเทศหนึ่งการแล้วบรรลุเป็นล้านมีเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังแล้วบรรลุเนี่ยนะมากกว่าผู้ที่ไปทําเองแล้วบรรลุเนี่ยนะพันสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นอย่างนั้น แล้วก็ผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยนะการฟังธรรมนั้นมีอา น, นิสงส์อย่างไรในโซตานุคตะสูตรอังคุตรนิกายจตุ ก, การนิบาศกล่าวถึงอา น, นิสงส์แห่งการฟังธรรมว่าถ้าฟังธรรมอย่างครอบรู้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการถ้าชาตินี้ไม่ได้บรรลุเป็นปุถุชนตายชาติหน้าบรรลุเร็ว เช่นว่าชาตินี้ที่ไม่ได้บรรลุอาจจะมีเครื่องขัดขวางบางอย่างแต่ถ้าไปเกิดชาติหน้าไปแล้วเนี่ยนะบุญกุศลคุณงามความดีสติปัญญาที่นําเกิดในชาติหน้าเป็นบุญกุศลจิตที่มีคุณภาพพื้นเพของความคิดที่นําเกิดเนี่ยคุณภาพสูงอาหารสัปายะโอโตสปาย ะ, ปปายะไม่มีปัญหาเรื่องร่างกายท่านเทวดาไม่มีปวดมีเมื่อยอะไรเป็นต้นนั้นฟังธรรมนี่ชื่นใจอย่างเดียวไม่ต้องแปรกซ้ายปรึกขวาพริกหน้าพรึกหลังเมื่อะไรจะดูนาฬิกาไปเรื่อยเนี่ยไม่มี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 หรือพระพุทธเจ้าไปแสดงก็บรุได้นี่เป็นข้อสองข้อสถ้าไม่มีดังที่กล่าวไปแล้วเทวดาเขาแสดงกันก็มีเทวดาบรรลุเทวดาแสดงธรรมก็มีเทวดาบรรลุอันนี้เป็นข้อสข้อสี่เพื่อนเก่าในนะที่เรียนธรรมะเรียนอริยสัจมาด้วยกันเป็นไงเพื่อนยังทิ้งธรรมะไหมเป็นตอนองเตือนกันนะกาสามารถบรรลุได้